بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى م د ي ن ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ا ن ي ن ج ب من وسط هاي ของการ اتباع وما سورة التوبة และน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการอธิบายเจ็ดสุรที่ยาวที่สุดในกุรานที่ชาวซาลาฟเขาเรียกกันหรือท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮุสเซลลัมเรียกว่าอัลสับกตฎิวัลเจ็ดสุรที่ยาวที่สุดเจ็ดสุรที่ยาวที่สุดนี้จะมีนื้อหาที่มีความเข้มข้นที่สุดในกุราน ทั้งในด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์และด้านศาสนาทุกสาขาแม้ว่าจะเป็นเรื่องหลักศรัทธาการประกอบศาสนกิจรวมถึงศาสนาบัญญัติต่างๆและชีวประวัติของบรรดานบีกรอูล ตล อ, อดจนเรื่องราวของประชาชาิยุคโก่ที่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระเจ้าความสำคัญของเจสูรานีเทียบเท่ากับการสรุปหน้หาของกุรัานทั้งเล่มสำหรับคนที่ได้ศึกษาเรียนรู้เทสูรานีและในเจสูรานี ถูกสรุปในสัมสุระแรกคือ فتحة บะกระและอัลเลห์มุรันนั่นก็ในสมัยท่านนบีสุลตานละอิยาอุสเซลัมคนที่ได้ท่องจําและเรียนรู้ความหมายของบะกระและอัลอลมรอนนี่จะถูกนับเป็นผู้รู้ในยุคนบีแล้วนะและจึงไม่แปลกว่าในสุระยาวๆเนี่ยแต่ใครที่ได้ ท่องจํำสุร้อนหนึ่งในจะดสุร้อนนี้ก็จะถือว่าหนึ่งในบรรดาสหบัติที่มีความรู้เอาแค่สุรัตอัลเบกวะที่อูบัยบินอัลฮุตตบใช้เวลาห้าปีบางรายงานผมก็แปดปีบางรายงานผมก็สิบสองปีจะได้ท่องจําแต่ตะโกนุคนไม่ได้ท่องจําเหมือนพวกเรานะมากราเดือนนี้เนี่ย บางคนสามารถท่องจำได้ใช้เวลาประมาณสิบห้าวันแต่สมัยนบีละสอฮาบานี่ท่องจํงงานึ่หมายทีว่าต้องเรียนรู้ความหมายด้วยและนี่คือวัตถุประสงค์สำคัญของการประทานลงมาอัลกุรอานเลาไม่ด้ประทานกุรอานลงมาเพื่อให้ท่องจำอย่างเดียวแต่วัตถุประสงค์ พร้อมๆกับการท่องจํากุตตานี้ก็คือการเข้าใจกิตาอันเซลนาหุยเลยกัมูบาระกุนเลียดเดบบะรุอันเซลนาหุบระถ้าลงมาอย่างเจ้าเลียดเดบบะรุเพื่อให้พวกเขาได้พิดิตดพิจารณาตตดบบุรและนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺไพร์นวะต์อัลาได้ทำใหิพวกมุน ا, ک ک ا, إ, ا ف กีนว่าเขาไม่ได้ทําหน้าที่ และเขาไม่ได้ประโยชน์จากการฟังอัลกุรอานหรือการประทานลงมาของอัลกุรอานกุรอานลงมาอย่างท่านนาบีสุลต์ลละฮ์วะลิลมไม่ได้ลงมาวันที่มีกุรอานบทใหม่ลงมาหรือวันที่ไม่มีอัลกุรอานลงมาเลยเนี่ยมันเสมอภาคสำหรับมุนาฟิก มีนำซ้ำสำหรับมูนาฟิกินจะถือว่าการประทานลงมาอัลกุรอานเนี่ยเป็นโอกาสให้สนุกสนุกด้วยการเยาะเย้ยดูดดถูกดูหมิ่นบรรดาผู้ศรัทธาเอาว่าเป็นโอกาสจะได้เล่นตลก เหมือนคนบางคนนี่ใช้โอกาสเรืร่องศาสนานี่ไว้คุยเรื่องตลกแต่เอาจริงเอาจังกับศาสนานี่ไม่ไม่ได้เรื่องไม่เอาไหนพอเรื่องศาสนามาแล้วนี่โอ้โมุกเยอะว่ามุกมไปมุ ก, า ม, กมาเนี่บางทีนี่ยกลายเป็นมุกด้วยนะ ม, ม, มุกในเรื่องศาสนาเขาจะมุกใช่ไหม ในเรื่องศาสนาเนี่ยแต่คนที่พวกที่ไม่เอาไหนกับศาสนากับบทบัญญัติโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของกุร์านหรือคําสั่งสอนชัดๆไม่เอาไหนนี่ก็หมายถึงว่าฟังกุร์านฟังฮะดีสเบฟอร์และกับอัตนี่มีค่าเดียวกันก่อนฟังกุร์านก่อนอ่านคุร์านก่อนเรียนคุร์านหลัง ฟังกุฎอ่านเรียนกุฎอานนี่ค่าเดยียวกันที่จริงแล้วนี่เป็นโศกน่าตรกำของประชาชนอิสลามนี้ว่ามันว่ามันเป็นสภาพของอุมามส่วนมาก ท, ที่ไม่ไม่ค่อยกระตุ้นรุนกับอัลกุฎอานในกุฎิอ่านนี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตและนี่คือสายที่ทําให้ประชาชนถูกต่ํำเศษเส้นที่ สหบานใที่ได้สูงส่งและก็รับใช้ชนะนี่ก็ราะใส่ใจกุตรานให้ความสําคัญอันกุตรานกุตรานอุตรานมีคุณค่าในชีวิตมีความหมายกุตรานนี่มีมีมีเป้าหมายสําคัญในชีวิตของเราในอายะห์หนึ่งร้อที่อธิบายไปแล้วส่วนหนึ่งอัลลอฮฺ س ว ح ا, ا, ح ا ن ه และก็ได้เล่าเรื่องของมุนาฟิกีน ปฏิกิริยาของเขาในเวลากุศอ่านตูประทานลงมาที่เขาแสดงต่อนบีละซฮับเพื่อให้เป็นบทเรียนกับผู้ศรัทธาในเวลาต่อมาต่อมาเนียงเนี่ยเวลาของเราเนี่ยเรดูแล้วเนี่ยอาวกมุนวินเขัทํากันอย่างไงว่าอีดามาอุนซิลัดซูฮฺรตุน ف م ย ه م من يقول أيكم ز ا د ت ี هذه า ن فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قرآن بطران لون م ن ى ي ه اثنين م اثنين قوم. ตรงนี้ใน وقت หนึง هو في المجتمع مسلم نه. ي พราะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมในสังคมมัตินะตอนนั้นนะเช่นยะฮูดหรือคนที่ปฏิเสธสตาร์ไม่ได้มุสลิมเลยนะที่ไม่ใช่ไม่ใช่าุกิตา เขาก็ถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกุตัลคุอัลลงมาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ประกาศตนว่าเป็นมุสลิมซึ่งในนั้นอันนันก็จะมีมุนาฟิกมุนาฟิกเขไม่ได้บอว่าฉันเป็นกาเฟนะมุนาฟิกก็บอกว่าฉันเป็นมุสลิมแล้วมากระนั้นบอกว่าคุตัลบรรลุงะมีหนูมในหมู่มุสลิมเนี่ยมู่ผู้ศรัทธาที่แสดงความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมีกลุ่มหนึ่ง มิหนูจะกล่าวว่าไออยกุมสาดทุฮดีอีมานาในหมู่พวกเขามีผู้กล่าวขึ้นว่ามีใครบ้างในหมู่พวกท่านที่บทนี้ทำให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยคือกุมมุนาฟิกเขาพูดเชิงเยาะเยะ้ยเฮ้ยอุรันลงมาไอ้ใครมีมันดีขึ้นไหมคำถามแบบนี้มันไม่ดี คำถามเชิงสร้างสรรนเพราะมันต้องมีมันต้องมีปฏิกิริยาไม่เหมือนผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาบอกว่าฟาอัลมัลลัตีน่าอัมมานุสหรับบรรดาผู้ที่มีความศรัทธานั้นแสดงว่าก่อนหน้านี้นี่ไม่มีผู้ศรัทธาเนี่ยละอัลลอฮ์แยกแบบนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้ได้กข้าชีผู้ศรัทธาแล้ว มุนาวิกรืเป็นผู้แอบอ้างความศรัทธาแต่สำหรับผู้ศรัทธานี่เพิ่มอีมานแน่นอนเขาไม่ตั้งคำถามยังจะมาตั้งคำถามอสุรานี้มีใครอิมามีอิมันเพิ่มไหมแสดงว่าการประทานลงมาของอัลกุรอานเนี่ยมันจะต้องมีผลลัพธ์กับผู้ศรัทธาที่มันเกิดโดยอัตโนมัต ภาษาไทยแปลงไงอัตโนติโดยปริยายพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยซึ้งไงนะโดยอัตโนมัติฟังกุศลเรื่องว่านิมัมัมพุ่งเลยอิมัมขึ้นอิมัมมันจะขึ้นเองเลยโดยที่เขาจะไม่ต้องมาตั้งข้อสงสัยมาตั้งคําถามกับตัวเองหรือกับหมู่คณะว่าเฮ้ยอิมัมขึ้นไหมวะเนี่ย เฮ้ยมีไหมมีมันดีขึ้นไหมขึ้นเองใช่พวกเราว่ามาฟังกุรานมาเรียนรู้ความหมายอุรานอีมันเพิม่มไหมไม่เกี่ยวด้วยนะว่ากุรานนี้จะต้องเป็นตัวท่านนบีสุลต่นนานเลยอัลลอฮ์มีคนจะบอกว่าอ๋อก็เพิพ่มพกพอฟังจากนบีเองมันก็ต้องเพิ่มดิใครที่ฟังจากนบีแล้วไม่เพิ่มนี่ก็ ไม่ใช่คนแล้วไม่ริตมันอยู่ในตัวกุรีอานหรืออยู่ในผู้อ่านกุรีอ่านดิติอยู่ในตัวกุรีอานดิไม่ใช่นั้นอัลลก็าาจะให้มีนบีทุกยุคทุกสมยัยเลยต้องมาอ่านกุร آن, ีอานให้เราจะได้มีผลถ้าไม่ใช่อัลลอห์าการันตี و, ว่ากุรีอานนี้ และเป็นและเป็นเอลเยสเป็นมหาสัจจานุกรมอุรานเนี่ยว่ากุรานี่สมัยท่านนบีเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนเปลี่ยนแปลงทั้งตัวกุรานแล้วก็มีแบบอย่างคือตัวท่านนบีนี่อยู่ด้วยแล้วพอนบีล่งลับไปแล้วล่ะอุรานก็ยังเปลี่ยนแปลงถึงทุกคนนี้เนี่ยคนฟังกุรานแล้วก็รับบิด้คนฟังกุรานแล้วทึงที่ไม่ใช่มุสลิมมันฟังกุรานแล้วเปลี่ยนชีวิตศรัทธาทุกคนนี้ และเป็นสิ่งดีอัลลอฮ์สุบฮานะอวะดาและท่าทายมนุษยชาติทั้งหลายถึงอิทธิพลของกุรอานต่อมนุษยชาติทั้งหมดเลยทั้งคนที่เป็นอาหรับและไม่ใช่อารับอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้อันแสดงว่าถ้กุรอานนี่สามารถเปลี่ยนแปลงสามารถเพิ่มพูนอีมานโดยปริยายโดยอัตโนมัติอัลลอฮ์บอกว่าเอมมาเลดีนเอมันุฟาซาดัตฮุมบุซะแทนี ผู้ศรัทธาบทนี้ได้ทําให้การศรัทธาเพิ่มขึ้นแก่พวกเขามายถึงว่าแน่นอนมันไม่ได้มีขั้นตอนหรือมีสเต็ปที่จะต้องผ่านก่อนกว่าจะได้เพิ่มอิมผู้ศรัทธาฟังกุฎานนะต้องเพิ่มพุนีมันจึงเป็นตัวชี้วัดถึงความศรัทธาว่ากุฎานนั้นอาจจะต้องมีผลต่อชีวิตผู้ศรัทธาคืออ่านกุฎานฟังกุฎานเรียนรู้กุฎานนะเพิ่มพุอีมัน ไม่เป็นไรฟังกุฎีอ่านอ่านกุานแล้วอีมานมันเพิ่มขึ้นแต่พอเราออกไปแล้วเราก็ไปทำบาปเราก็ฟังเพลงดูหนังดูละครอีมานมันก็ลงไม่กระทบไม่กระทบในเมื่อในเมื่อมีผลลัพธ์ของการฟังกุานและก็เรียนรู้กุานทุกครั้งนะ่มีแบบนี้เนี่ยแสดงว่านี่เป็นเครื่องหมายว่าเป็นผู้ศรัทธา เพราะไม่มีหลาผู้ศรัทธาที่จะที่จะปราศจากจะไม่มีบาปไม่มีไม่มีความผิดและไม่มีแต่เราต้องตรวจสอบตัวเราเสมอไปตลอดเวลาทุกครั้งที่อ่านกุรานเราเป็นประเภทที่อ่านกุรานฟังกุรานแล้วไม่เกิดผลในชีวิตของเราไหม กูร์านกลาเป็นเรื่องโจ๊กเรื่องตลกพอได้ยินเรื่องกุร์านพอมีคนพูดเรื่องกุร์านหรือเรื่องหลักการศาสนานีเอาเปเรื่องตลกหรือว่าเรื่องศาสนาสำหรับเราเป็นเรื่องเซเรียสเป็นเรื่องเรื่องที่ต้องจริงจังจริงจังใส่ใจเอาทุระเป็นเช่นนั้นไหมว่าฮุมีสต์บชิรุล ขณะที่ฟังอุรอ่านแล้วเนี่ยอิมาเขาจะเพิ่มพูนขึ้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยแล้วพวกเขาก็มีความปิติอินดีดีใจฟังกุตรอ่านและดีใจเรียนรู้กุรอ่านและดีใจแน่นอนหมายรวมว่าตอนที่มีความพร้อมมีความพร้อมในการฟังกุรอ่านสมมติว่า เรากำลังทำธุระหรือกำลังมีภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นกำลังดูหนังสือพรุ่งนี้จะสอบแล้วก็เรากำลังอ่านหนังสือก็มีคนมาเปิดคุดอ่านให้เราโอ้ยผิดคุณอ่านน่นน่นแน่นแน่นมูนาฟิกรหรือเป่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงาั้นหรือสมมุติเรากหลังนั่งถ่ายทุกอยู่ในห้องน้ำ มีคนฟังเปิดกุรานลั่นเลยให้เราฟังในมเฮ้ย hey, ติดกุรานหน่อยกูกำลังนั่นนั่นแสดงว่าไม่อยากฟังกุรานใช่ไหมนั่นมันเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนคนบางคนเนี่ยที่ก็ไม่ได้ย้ำคิดย้ำทำทุกเรื่องนะย้ำคิดย้ำทำเรื่องเ ส, ยสียสระเรื่องโรคมืด เชคคนนี้ น, ะน่าจะโดนของนะทําไมเขาไม่ยอมฟังกุรอศานเลยพอเปิดกุรอศานขาเขาก็ออกออกจากห้องมันอาจจะบังเอิญก็ได้เปิดกุรุานทุกครั้งนี้เขาก็เดินออกเลยนะอันนี้แสดงว่าเขาโดนของเป่าอันนี้อันนี้คิดเยอะคิดเยอะเกินไปไม่เสมอไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เปิดกุรุานออกนอกห้อ ง, งห้องนี้สนแสดงว่าเขาโดนของตลอดนะ เพราอาการของคนที่โดนของเนี่ยไม่ใช่ฟังกุฎิอ่านแล้วก็จะออกเฉยๆนะมันจะมีอาการอื่นตัวประกอบอื่นที่ต้องพิจารณาไปด้วยแต่สองอย่างนี้นี่ต้องเอามาเอามาทุบทวนทุกคนนี่ต้องเอามาทุบทวนตัวเองหนึ่งฟังกุฎิอ่านอ่านกุฎอ่านท่องจํากุฎอ่านเรียนรู้กุฎอ่าน إ ي م านเพิ่มบุญแล้วอีมานอะไรเพิ่มบุญมีมือถือวัดมพวกอ่ะ มีสมาร์ทโฟนแบบพดตั้งแล้วก็วัด إ ي م านขึ้นมีไหมแล้วจะวัดยังไงทุกคนเนี่ยรู้ตัวเองทุกคนเนี่ยรู้ตัวเองว่าจะวัดอ إ ม م ا ن ยังไงแต่และคนไม่เหมือนกันนคือถ้าเราบอกว่าอ๋อ إ อม م ا ن เพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าคนที่ إ ม م ا ن เพิ่มขึ้ น, นจะชอบละหมาดเยอะไม่เสมอไปไม่เสมอไป บางคนนี่ใช่เพราะอิมานขึ้นนี่นะขยันละหมาดละหมาดนานละหมาดเตี้ยมุดเลและ้ละหมาแต่ไม่สเสมอไปสําหรับอีกคนหนึ่งเขาไหมเขาอาจจะขยันเรื่องสิกุลน์เขาอาจจะขยันเรื่องจิ h a d เรื่องต่อสู้เรื่องเรื่องขึ้นไหวเพื่อสังคมเพื่อประชาชาติอิมานอิมานนี่ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงเรื่องเดียวแต่นล้าก็อฟังกุอานแล้วก็เรายัง ยังไม่ได้ขยันละหมาสุนนะแสดงว่าเราไม่ได้รับผลจากมัไม่ตุองต้ ง, ต ง, ตงดูเรื่องอื่นโจทย์ก็คือก่อนฟังกุศลเรื่องหนึ่งเรื่องใด เ, เราไม่มีเลยหลังฟังกุศลเรื่องนั้นอ่ะพุ่งขึ้นก่อนฟังกุศานนี่เราไม่เคยละหมาสุนนะพอฟังกุศลนี่เออเราเริ่มขยันขยันละหมาสุนนะก่อน ศึกษากุตอารนี่เราไม่ค่อยเอาไหนเรื่องเพียงรูซุนนาของท่านนาบีเรื่องชีวประวัติของท่านดะบีเรื่องความรักต่อท่านนาบีไม่ค่อยเอาไหนเราใส่ใจเรื่องเรื่องนักเตะบอลมากกว่าอคนนั้นน่าสนใจตรงไหนคนนั้นเก่งยังไงมีศิละปะมี ม, มีมีฝีเท้ายังไงมีน่าสนใจในศิละปะ แต่บอลยังเราสนใจทั้งนั้นนะพอเราศึกษาเรียนรู้กุรานี่พีกพิกความสนใจของเราอ่านแสดงว่ากุรานเนี่ยมีอิทธิพลในการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเคยไหมวันหนึ่งชอบชอบดาราชอบนักร้องชอบฟังเพลงเขาชอบชอบอะไรบ้างมั้งเขาแต่พอเรียนรู้กุรานี่ ก็รู้สึกแหละว่าที่ฟังเขาที่เสียเวลากับเขาอยู่มันเสียดายนั่นนะนั่นน ะ, สะแสดงว่ากุูอ่านนี่กูอานกูอ่านนี่มันเหมือนเหมือนน้ายาเหมือนผงสักฟอกอัตโนมัติเนี่ยถ้ากุูอ่านเข้าไปเนี่ยอะไรที่มันโซโคกโซกรโปกกันกกน่ะสกโปข้างในข้างในข้างในในหัวใจในสมองเนี่ยกูอ่านนี่จะเข้าไปล้าง โดยปริยายล่างเองเลยแต่เราต้องเปิดใจเราต้องเปิดสมองต้องเปิดชีวิตให้กุฎอานเขา้าไม่ใช่มีความสัมพันธ์มีความรู้สึกกับกุฎอานแบบอีแอบอีแอบปีละครั้งอ่ะเดือนละมาดอนอะปัดฟุนปัดฟุนซะบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยมีกุฎอานหลายเล่มมันะบางทีกุฎอานหลายเล่มใช่เล่มเดียวอะนะ แต่บางทีในเวลาอยากจะใช้อีกเล่มนึงบัตรฝนเนี่ยมันก็รู้สึกอายมืองเงนรู้สึกอายทำไมอ่รู้ทันหรือเปล่าทันยุคเทปอ่ะรู้เทปอ่ะเทปข้าศึกนะแ่ก่อนรู้แต่คนที่ชอบดาราเขาก็ต้องมีข้าศึกแล้วจะรู้เลยว่าคนนี้นี่บ้าดาราคนนี้นี่ยข้าศึกของเขาเนี่ยทุกคกคทุกตลับปะทุกอะไรนะ อัลบัม้มคียกอัลบั้มเหมือนกันนะคุณทุกอัลบั้มนี่ไม่เอียมเลยไม่มีฝุ่นตลบเลยทำไมอ่ะฝังตลอดส่วนมากนี่พี่ก็ท่านใช่ไหมเกษตรก็ต้องมาสี่สิบห้าสิบอัพอน ะ, นนะอายุซีดีก็เหมือนกันแหละนะซีดีับไม่ยังใหม่ๆเลยนะ กูดอานกูดอ่านเน่ยเรามีกุดอ่านเล่มหนึ่งที่ทํางานกุดอ่านกุดอ่านรถกุดอ่านทุกที่ในที่เราไปเนี่ยเออควรมีกุดอ่านสักเล่มหนึ่งหรือถ้าเราไม่ไม่ไม่นิยมแบบนี้เนี่ยกุกอ่านที่เรามีน่ยที่เรามีเนี่ยก็พยายามใช้ให้ใช้บ้างอย่าได้มีโอกาสที่มาเจอกูดอ่านในชีวิตของเรานี่แล้วก็ต้องมาปัดฝุ่น وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رسا إلى رسيهم وماتوا هم َ ا ف ر ن و ن سمر عبد أبوي ميروب United t e l ِ c o َ وخامن ُ ن ا ف ق ي ن من س و الب الب ر البقرة م ع ن سورة البقران َ ا الله في ق الله و, و. ب و ه م ر ض فزادهم الله مرضا و م ن ميروب لأمر تفهم روب لي و ج ا م و خ ا กุรานี่นะที่ถูกประกาลงมานี่นะสำหรับมุนาฟิกีเนี่ยซาดะตุมริซันอิลาดิซิฮมบทนี้ก็ยิ่งจะเพิ่มความสกปรกให้แก่พวกเขามากยิ่งขึ้นไปอีกวามตัวโฮมกาฟิรุนและพวกเขาจะตายไปในสภาพที่เป็นพวกปฏิเสธศรัทธากุรานนี่สามารถเป็นทางนำให้บงคมบางคนบางกลุ่มแล้วก็สามารถ เป็นสาที่ทำให้บางคนบางกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธสตานี่ก็เรื่องแปลกน่าสนใจน่าสนใจน่าศึกษาเรียนรู้จริงไหมละ่ะจริงอย่างที่บอกที่ทีแรกอย่างที่บอกว่าของดีอะถ้าคนปกตินี่กินแล้วเนี่ยเขาจะรู้รสชาตินะ้นี่หวานนั้นนี่อร่อยแต่สําหรับคนที่ป่วยนี่ลิ้นนะี่ยไม่ดีนะนะของหวานนี่เอ๊ะทำไมมันขมอะ ของเค็มไม่ทำไมมันเปรี้ยวอ่ะนี่เพี้ยนละสุขภาพไม่ปกติละลิ้นนี่เพี้ยนละฟังกุรอ่านแต่กุรอ่านแต่กูรอ่านทำไมทให้เขาเนี่ยลดอีมานหรือฟังกุรอ่านเรียนรู้กูรอ่านแต่ทำให้เขาเนี่ยไม่ขยันทำไมบาดาบันทอนความคร่งครัดในชีวิตของเขา ใร่องรเน้นศาสนาเช่นยกตัวอย่างในคุรานีอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะเลิกฟรุอยูชรกบิิรุมาดูน ك ลิมัยชาอัลลอฮจะไม่ให้อภัยโทษเลยคนที่ตั้งพากีกับพระองค์อื่นจากนั้นนะพระองค์จะให้อภัยโทษได้สาหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์รายนี้สาหรับผู้ศรัทธาทั่วทั่วไปเนี่ย จะสร้างความเคร่งครัดทาให้ผู้ศรัทธาเนี่ยต้องระวังสองอย่างหนึ่งไม่ทำชิริกสองทำให้เขานิวาดกลัวว่าถ้าเขาไม่ทำชิริกแล้วอ่ะแต่เขามีบาปอื่นอลัลลอ์ก็ย้ายอภัยสิสนุกแล้วสิไม่เพราะเขาอ่านอายะทั้งหมดเลยเนี่ยเขาจะรู้ลีมาเยชาสำหรับที่อัลลอ์ทรงประสงค์ แล้วเราจะรู้ยังไงว่าประสงค์จะให้อะไรทุรืองไหรือไม่ประสงค์อายานี้จะทําให้คนยึดต้องต้องเคร่งขัดมากกว่าต้องระวังมากกว่าแต่สําหรับคนีิฟังอายานี้แล้วเข้าใจว่าโหแสดงว่าเรื่องสําคัญที่สุดนี่เรื่องสําคัญที่สุดนี่ก็คือเรื่องชิริกเรื่องอื่นนี้ไม่เท่าไหร่ และเขานี่เข้าใจว่าหมายถ่าเรื่องศิริเรื่องศิริกนี่ก็หมายถึงว่าศิริทุกประเภทศิริทุกประเภทนก็ถูกต้องต้องระวังศิริกทุกประเภทจะเป็นศิริกหญ่ศิริเล็กแต่นั่นไม่ด้หมายรวมว่าความผิดอย่างอื่นที่ไม่ใช่ศิริกนั้นน่ะจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่ Allah سبحانه และ تعالى ได้บอกถึงสาเหตุที่ทําให้เขาไม่ได้รับอิทธิพลจากอัลกุรอานในการเปลี่ยนแปลงเพราะหัวใจของเขาไม่มีความพร้อมในการที่จะโต้ตอบกับอัลกุรอานมีปฏิกิริยากับอัลกุรอาน เขาอยู่ในสภาพในสภาพที่ระแวงตัวตลอดว่ากุรานนั้นนะ่ะจะมาแฉความชั่วของเขาหรือเปล่านี่นี่คือเรื่องเดียวที่เขากลัวพวกมุนาฟิกีนน่ะนะกลัวเรื่องนี้เรื่องเดียวเฮ้ยนบีมีคุรานสุรมามาัยไหมมีเรื่องของเรามาบ้ามีเราบอกนบีเรื่องเรื่องเลวๆของเราบ่านี่คือเรื่องทเดียวที่เขา เอาละย่รวน أن หมยุฟต์นุนในุล عام หนึ่งมรตันหรือมรตินิทุมแลเอตยจะ ذكر ุแล้วเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงพวกเขาจะถูกทดสอบในทุกๆปีครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วพวกเขาก็ไม่ยอมกลับเนื้อกับตัวถูกทดสอบครั้งสองครั้งก็จะได้บอกว่า ถูกทดสอบให้นบีเรียกให้ไปทำ jihad นั่นนะ jihad ในเรื่องที่มุนาฟิกนี่ไม่ชอบเลยอีกแล้วอีกแล้วนี่คือบทตดสอบใหญ่ของพวกมุนาฟิกพอถูกเรียกให้เสียสละในอุนดางองลอร์นี่อันนี้เนี่ยเขาไม่ชอบเลยแต่จะมีบทตดสอบเล็กๆสําหรับมุนาฟิกนเหมือนกันเริงละามาดนะนีบอกัสขลุสล عتين على المنافقين الفجر والعاشاء การละมาที่หนักหน่วงสำหรับมุนาภิกนษุคือละมาสุบฮีละมาอิชาไม่ชอบเลยเขาไม่ชอบทำไมอะเวลาพักผ่อนสุบฮีนอนอยู่อิช่านี่จะนอนสุบฮีนอนอยู่ไม่อยากตื่นอิชาานีจะนอนแล้วจะนอนแล้วไม่อยากละมาทมุนาภิกษุบททสอบเล็กบุทดอบใหญ่ชีวิตของเรานี่ เราก็จะเห็นว่าบททดสอบแบบนี้เนี่ยมีแหละแต่ถ้ามันเป็นบททดสอบ إ ي م านที่อัลลอฮ์ทดสอบ إ ي م านทุกคนนะนะแต่เราไม่เราไม่ได้รับผลกระทบเหมือนพวกมุนาฟิกีเราก็รับผลกระทบเหล่านี้หมายถึงว่าอ่าสูงนในบททดสอบเล็กเช่นละมาสุพีละมัติชาไม่มีปัญหาเราเรายินดีเราปฏิยินดีเราสนุกเรามีความสุขในการละมาดไม่มีปัญหา เออบุตสอบใหญ่เรียกกรงไห้เสียสละในหนดางอัลลอฮฺแะตานะและบมนิกบุทสอบใหญ่ที่ประชาชาติอิสลามกำลังประสบในยี่สิบสาสิบปีที่ผ่านไปแล้วนี่เรื่องเสียสละในหนดางอัลลอฮุะตานุ่มมาแล้วทุบูุนและว่มีจักการุนพวกเขาก็ไม่ยอนกลับเนื้อกับตัวและพวกเขาก็ไม่สมนึกผิดอีกด้วย นักการที่บาฮาริสบังท่านบอกว่าบททดสอบปีละครั้งสองครั้งนี่ก็คือการที่เขาถูกสอบสวนเรื่องเรื่องเร่งหนึ่งเรื่องในนบีเรียกมาสอบสวนเรียกมาเรียเรียมาสอบถามโกหกเขกโกกนบีเป่าเปแล้วมาุ้นเร่องนี้แล้วลุ้นโกหกโกหกนบีเนี่ยปีละครั้งสองครั้งแล้วไม่ออมเต้าบ่ตัวยัม่ยมสำนึกซิกนบีไม่มีชีวิต อยู่ถึงจะบอกว่าแล้วเราจะไปโกหกนบีไงเราไม่ดีโกหกเราไม่ดีโกหกนบีไม่ดีโกหกอัลลอฮ์แต่เราโกหกตัวเองในฐานะที่ตัวเองในยุคนี้เนี่ยถึงแม้ว่านบีไม่มีชีวิตเนี่ยแต่การที่เราได้ฟังกุรานมีโอกาสเข้าถึงกุรานคําสั่งสอนของอิสลามนี่แม้ว่าจะเป็นกุรานละฮัดีิสเนี่ยก็เปรียบเสมือนนบีมีชีวิตถ้าเราได้รับรู้คําสั่งสอนแล้วแต่เราโกหกตัวเอง ในสิ่งที่อัลลอฮ์สัง่งในสิ่งที่นบีสัง่งฉันทําไม่ได้เลาสั่งมาฉันทําไม่ได้เราอ้างกับตัวเองเราอ้างกับตัวเองว่าฉันทําไม่ได้หรือว่าเราเรียนรู้ในการศาสนาสักอย่างนึงสักอย่างนึง่งเช่นสําหรับมุสลิมอะให้คุมฮิ j า b สลิมายุมิจาวัตถุประสงค์นี่ของมิจฉานม่ว่าลายูบดีนซีนัตหุนนะว่าปกปิดปกปิดเครื่องประดับประดาความสวยงามของสตรีเพศนี่คือวัตถุประสงค์ของมิจาแต่มุสลิม่าที่ออกทิกตอกกันทุกวันนี้เนี่ยถามว่าเด็ขาคุยมิจฉาไม่คุ้มคุยมิจฉา แต่ถาว่าเอาแล้วกูมีหยาบนี่เพอะรเล่าขาเขก็ตอบตอบตัวเองได้ชัดว่าศาสนาสั่งงสั่งไอหนูเป็นมุสลิมานั้นหนูก็ต้องคุมฮิ j า b แต่ใช่ฮิ j าบหรือใช่รูปแบบฮิ j าบที่ศาสนาต้องการให้สตรีทํำฮิ j a บไม่ใช่แบบนี้ฮิ j าบนี่จะมาแต่งหน้าใส่คิ้วใส่นู่นใส่นี่ออกออกมั้ ประดับประดาแสดงความสวยงามแบบนี้เนี่ยศ ส, สนาไม่ให้ทแบบนี้นะใช่หรือไม่ใช่มั้งใช่เหรอเป็นความเข้าใจของนักวิชการบางกลุ่มเปล่าหรือแค่แบบว่าแบบว่าหน้าด้านมันเข้าใจเองเป่า <c oughs> ไม่จริงไอ้เจาศาสนาบอกว่าเฮ้ยแต่งตัวแบบนี้มันเป็นฟิดหน้าเหมือนกันนะอัลลมัมบางคนนี่นะคู่มียามนี่สวยกว่าไม่คุมว่าไหม เราเราพูดถึงทั่วไปอะนะไอ้นี่ว่าและนี่มีต่างศาสนาที่เขเคยพูดด้วยนะต่าศาสนาที่ก็เคยวิจารณ์นะเขก็เวลาดูแล้วเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างระหว่างผู้หญิงที่ที่คุมไม่ต้องมิดชิดก็ได้เนี่ยคุ้มมานะจะดูเรียบร้อยดูมีความสวยงามดูมีความเป็นธรรมชาตินี่มากกว่าโอ้ทั้งใสหนุนซอิสลามไม่ไม่ประสงค์ที่จะให้คุมฮิญาบ จะได้เพิ่มพูนความสวยงามหมายถึงว่าฮิญาบเนี่ยไม่ดีไม่ดีเป็นเครื่องมือในการเพิ่มในกา ร, การเสริมสวยเข้าใจไหมหิญาบนี่ไม่ใช่เครื่องมือเสริมสวยแต่หิญาบเนี่ยต้องการปิดความสวยโดยสัไปปิดปกปิดความสวยงามมีมุสลิมไมบางคนเนี่ย แม่ทีมุสลิมาทีผู้หญิงเนี่ก็ต้องปกปิดความสวยงามที่ผู้ชายล่ะทำไมมไม่ปกปิดความหล่อบ้างละ่ะอันที่จริงแล้วอันที่จริงแล้วผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนผู้หญิงที่จะต้องมาเสริมสวยเสริมความหลอ่ออาไหมถึงว่าผู้ชายเนี่ยชีวิตของเขาถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ ถ้าเป็นผู้ชายแท้จะต้องไม่มีเป้าประสงค์วัตถุประสงค์ในชีวิตเนี่ยที่จะต้องหลอเแลอไหอมเล้วไหมอันนี้ไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงตั้งหากที่ก็ต้องการความแต่ความสวยงามของนางเนี่ยเขาาก็มีมีเป้าหมายที่ที่สามารถเสริมสวยได้ความสวยงามได้แต่สำหรับผู้ชายนี่ไม่ใช่แต่ผู้ชายนี่จะจะ เสริมความหล่อนี่ก็เช่นเดียวกันสาหรับภรรยาของตัวเองนี่ใช่แต่จะได้หล่อให้คนคนอื่นเนี่ยชื่นชมความหล่อเช่นผู้หญิงที่แปลกหน้าเงี่ยมาชื่นชมความหล่ออันนี้เนี่ยสาหรับผู้ชายนี่บาปเหมือนกันเน่นบาปในแง่ที่ว่าเลียนแบบผู้หญิงเลียนแบบผู้หญิงคืออะไรเสริมสวยต้องเข้าใจนะในภาษาด้านภาษานะภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยที่จะแยก ความสวยงามของผู้หญิงเนี่ยเขาจะได้กว่าสวยแต่ของผู้ชายเนี่ยได้กว่าหลอ่อแต่ถ้าภาษาอังกฤษใหม่ทั้งสองนี่สวยนันออกมาความสวยงามคื อ, ค, อความงามอะ่ะความงามอะ่ะนะเสริมสวยนี่ให้ผู้หญิงนี่มีเหตุผลเพราะสิ่งที่เป็นจุดหมายของผู้หญิงนี่คือความสวยงามแต่ของผู้ชายนี่ไม่มีความสวยนะ สิ่งที่จะดึงดูในตัวผู้ชายนี่ไม่ใชความหลอ่อไม่ใชความสวยงามและความอะไรความเป็นแมนและความเป็นผู้ชายนั่นนั่นคือจุดประสงค์ของตัวผู้ชายแต่สังคมนี่มันเปียนไงมองถึงผู้ชายในเรื่องในเรื่องความเรื่องหน้าตาเรื่องอะไรอันนี้ไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนแต่สัน น, นิษฐนนี้ต้องเปลี่ยนเลย แม่ดิบอกว่าไม่ต้องสะอาดไม่ต้องไม่ต้องหวีผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมท่านยังงั้นแต่ไม่ต้องเนี๊ยบมากไม่ต้องไม่ต้องพิธีพิถันนะเออไม่ต้องมานั่งละหมาดนั่งกระจกในสามสี่ชั่วโมงะบูชากระจกพวกฤทธิบูชากระจกอันนี้อะไรนี่รอง แล้ว น, นี่อะไรอ่ะ อ, อีกชั้นหนึ่งโอ้อันนั้นแต่ผู้หญถ้าผู้หญิงนี่ทำนี่ก็พอได้แต่ผู้ชายนี่สามสี่ชั่วโมงนี่แต่งหน้าก่อนออกอหรือทำผมหรือไปช่า ง, ง, งตัดผมนี่สองชั่วโมงสองชั่วโมงอ่านได้ยีอ่ อ, อาย่า น, นี่สองชั่วโมงมาถึงนี่เด้ง อีกอาการของพวกมุนาฟิกคือฟังกุศอ่านน่ะฟังกุศอ่านน่ะเขาจะมีอาการอาการไม่อยากฟังพอกุศอ่านถูกประธานลงมาเนี่ยเขาจะมีอาการไม่อยากฟั ง, อ า, งา อ, อาการหวาดกลัวในกุานในสุรษัลมุดดัสิรลอัลลอฮ พมาเหล่าท ال ี خ خ و. و د د ่นเมินกาและอิมอัลกิซีนแลเขาเป็นอะไรกันนะคนที่อยู่ข้างๆเจ้าอูมหัมมัดตอนตอนเจ้าอ่านคุณอ่านเนี่ยเขาเป็นอะไรกันดูคนที่อยู่ข้างๆกันอิซีนเนี่ยพอพอเจ้าอ่านคุณอ่านเนี่ยเขาก็หลบหนีหลบซ่อนตัวเองข้างขวาข้างซ้ายนี่ยกัหลบหลบหบกัน ขออัลกุรอานมนมาม า, มาลบปลปลปไปอีกส่วห น, น, นึงหมมรรรร่งกอน่มุมรมุตตมฟีร์มิกวาระพออ่านถูกประทานลงมาเนี่เปรียบเสมือนเป็นพวกเป็นพวกสัตว์ป่าเช่นกวางพอเห็นสิงโตพอเห็ น, ส, หนสิงโตนี่กวางเนี่ยพอเห็นสิงโตทาอะไร หลอกแลกละลอกแลกละล้วก็หาทางหนีละเห็นสิ่งทออร้ณี่นี่ฉันจะเป็นเหยื่อของมันหรือเปล่าอ๋แล้วได้เปรียบเทียบพวกมุนาฟิกหรือคนที่เขาไม่พร้อมที่จะต้อนรับกุรานเข้าหัวใจเข้าสมองเข้าชีวิตของเขานี่อาการนี้เนี่ยก็เป็นอาการของคนที่เขาแพุ้ราน ถ้ากุรอ่านเข้าใกล้เขาเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนอาการคนแพ้แพ้คันปวดหัวมีอะไรอ่ะเป็นลมแพ้นะขึ้นพืนเป็นเม็ดเป็นพืนอาการแพ้มีไหมคนที่ฟังกุรอ่านเป็นแบบนี้มีไหมมีฟังกุรอ่านแล้วปวดหัวมีไหม มีไม่อยากฟังกุรานฟังกุรานสักห้าอีอาที่ไม่อยากัวดหัวละแต่ฟังเพลงฟังดนตรีได้เป็นชั่วโมงอ่านี่อันนี้เป็นเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันอิซามาอุนซิลสุรตุนและเมื่อบทหนึ่งบทใดของอัลกุรานถูกประทานลงมาหน้ารับบางดุฮุมอิลาบางินฮัลย์รากุมมินอัหัด บางคนในหมู่พวกเขาต่างก็มองตาซึ่งกันและกันมองตาเลึกแต่มองรู้รู้กันนะว่ า, าใครเป็นมุนาฟิกเนี่ยมองพวกเดียวกันนะ่นนะมองด้วยฮัลิอราคุมมินอาหาัดินซึ่งกันและกันแล้วถามขึ้นว่าเนี่ยเขาจะถามตัวเองกันว่ามีใครเห็นพวกท่านบ้างไหมทําไมอะ่ะพอเตรียมเตรียมจะหนีไงมีใครเห็นไหม ฟังกุรานี่จะนีแต่ถ้าหากว่าเขาหนีตอนดีกุรานกําลังถูกประธานลงมาเนี่ยหรือคนอ่านกุรานอันนี้รู้แนะน่นอนเป็นโมนาฟิกเขาก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนมีใครเห็นไหมมีใครเห็นไหมถ้ามีใครเห็นเนี่ยจะได้สแสดงสแสดงก่อนสแสดงแต่ถ้ามีใครเห็นเนี่ยพุชหนีทางหนีอย่างเดียวไม่ไหวทนไม่ได้ฟังกุรานทนไม่ได้ ซุ่มมังสารฟูแล้วพวกเขาก็พากันแยกย้ายออกไปจากพื้นที่จากสถานที่ที่มีการอ่านกุษอ่านและมีการที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาก็อย่างที่บอกเขากลัวเรื่องเดียวว่ากุรอานที่จะถูกประทานลงมานั้นน่ะมีอายาที่จะแฉพฤติกรรมของเขาและเขาอยู่ในวงนั้นนะ่ะลุบลบลบ และที่เขากลัวมากที่สุดนี่ถ้าเอามแชรชื่อของเขาด้วยทำไมาเ่เพราะก็มีหลายเหตุการณ์ที่เราสุภานวตาได้เอย่ยพฤติกรรมของมุนาฟิกินบางคนซึ่งพอเอ่ยแล้วนี่รู้ว่าเป็นใครแต่เราไม่เอ่ยชื่อเราก็ยังให้เกียรติแต่รู้แล้วว่าอพฤติกรรมนี่รู้ใครนี่ก็นี่คนนั้นไงพวกเราคนนั้นไงโดนเล่นงานแล้วข่าวหน้านี่กูจะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ โอ้โหนี่ ด, ดูที่มุนาฟิกินทุกวันนี่นะพอได้ยินเสียงซาฮาบ้าที่เข้าดีใจกุฎอานอีกอาดลงมาแล้วฉันได้บอกฉันได้บอกคิดดูสิชีวิตของมุนาฟิกเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเพราะเขาไม่ยอมที่จะให้กุฎอ่านเนี่ยเข้ามาสักฟอกมาล้างมาล้างหัวใจสมองชีวิตมีไหมมุนาฟิกเองที่เว่ามีมีม และในชีวประวัติของเขาเนี่ยเขาละลายเป็นสาวบานนะชีวประวัติของเขาเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าซุมมาต้าวะอสลามะวะฮัสซุนอิสลามูแล้วเขาก็ต้บัดตัวแล้วหมายถึงว่าจะความเป็นมุนาฟิกนะเต้บัดตัวแล้วแล้วก็เหมือนกับศาสนาอิสลามใหม่นะวะฮัสซุนอิสลามูแล้วก็ชีวประวัติของเขาเกี่ยวกับอิสลามนี่ก็ดีงามต่อไป แอ่นะีว่ว่าเขาตรวจสอบแล้วพิสูจน์แล้วว่าเออข่าวนี้เนี่ยเขาสะอาดไม่มีเชื้อบุนาฟิกนี่ไม่มีแล้วมีมีที่เขาบัคเขารู้แล้วอชีวิตแบบนี้โมนี่ฉันใช้ชีวิตแบบนี้เนี่นยเดีย๋ยวขอดูหนะ่อยกุฎอ่านเป็นยังไงเนี่ยพอรับน้อมรับกุฎอ่านมาศึกษาเ ร, ร, ร, รียนรู้กุฎอ่านมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเหตุผลที่มุนาฟิกีนเนี่ย จะต้องพิจารณาตัวเองเร็วที่สุดในยุคของท่านนบีสุลต่านอะเลฮฺสัลลฺเหตุผลที่สากัญที่สุดนะก็เพราะตัวท่านนบีอยู่กับเขาไงนี่เป็นเหตุผลเพียงพอมากที่จะทําให้เขานีต้องคิดหนักว่าไอ้ชีวิตแบบเป็นบุญนาทิตแบบนี้เนี่ยขณะที่ท่านนบีอยู่ขณะที่ท่านนบีรู้แล้วอัลลอฮฺให้ความรู้ข้อมูล เม็เสร็จทุกอย่างเกี่ยวกับมุนาบิกเนี่ยแล้วเรายังจะดื้อเหตุผลเพียงพอที่เขาจะเปลี่ยนแปนลงอลลอฮ์ในตำหนีเขาว่าวันซรลฟูซุ่มมันซารฟูสรลฟอัลลอหฺกูลูบะฮฺพวกเขาก็พากันแยกย้ายออกไปอัลลอฮ์จึงทรงให้จิตใจของพวกเขาหันเห อ, ออกจากแนวทางที่ถูกต้องก็เพราะเขาแยากตัวออกจากวงกุราน องคอ์ที่กุฎอ่านทูลประธานลงมาเนี่ยนีใช่ไหมหนีจะกุฎอา่านเถอะนีจะกุฎอา่านนี่เอาร้อยก็จะให้หัวใจของเขาเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะพบทางนำจากอาลัลลอฮฺสุบฮานาห์นี่แสดงว่าเร า, าลงโทษเขาไม่ได้แช่งไม่ได้แช่งเขานะเขาเนี่ยเป็นคนกระทํำก่อนพอกระทําแล้วนี่ยเาลาให้โอกาสแล้วพอเขาทําไม่ดีแล้วเนาะเรก็เลยลงโทษและการลงโทษ ลงบาลอของอลลอฮฺสุบฮานาอาแล้วก็ไม่ใชม่ ใ, ช ใ, หให้ให้ฟาผ่ยให้อยากจนให้ประสบภัยพิบัติเนี่ยไม่ใช่การลงบาลอนี่ก็คือไม่ให้เขามีไม่ได้มีโอกาสที่จะรับรับรู้อิสลามและนี่คือเหตุผลที่อัลมาได้อธิบายอดีสิบันทุกเดยอิมอามัด ท่านจิบริลบอกกับท่านนบีซัลลัลลอฮุยะัมโอมฮัมมัดถ้าเจ้าเห็นข้าตอนที่ฟิร์อาเนี่ยตนมน้ำไปแล้วจิบริเลเราเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเนี่ยสามสี่พันปีสามสี่พันปีไปแล้วนะพี่น้องรู้สึกไหมถ้ามีใครมาเล่าเรื่องอ๋อเมือ่อสามสี่พันไปแล้วเรื่อง ความอัศ <ś led> จันยิบรีลบอกโอ้ถ oh, oh, il ah ้าเจ้าเห็นข้าตอนดีพิรานี่จมน้ํานะและข้าเอาดินนะเอาดินดินดินเปียกน้ำมามาอุดปากพิราเนี่ยกลัวว่ามันจะก่ายล้อิละฮะอิลลัลลอฮฺทอนนั้นนะแล้วอัลลอฮฺจะไม่ตามมันอุลามาก็บอกว่านี่เป็นการลงโทษเหมือนอัลลอฮ์นี่บันดาลใจดิบรีลมอว่า อย่าให้มันอย่าให้มันศรัทธาตอนนี้เลยฉันไม่อยากจะฉันไม่อยากจะได้ยินเสียงลไร้ไร้ลอิลอยเลยทําไมอ่ะก็พราะมูซาเสนอไปแล้วละไอ้ไรหไม่รู้กี่พันครั้งแล้วไม่เอาก็เป็นบทลงโทษว่าถ้าเราเสนอไปแล้วจังนําแล้วไม่เอานะ่ะบทลงโทษก็คือไม่เอาก็ไม่ต้องเอามีไหมละ่ะมีไหมละ่ะเพื่อนเฮ้ยเดือดร้อนเปล่า น่าไม่เดือดรอนเรารู้มันเดือดรอนเดือราได้ยืมหน้ายืมพันหนึ่งไม่เอาอ่ะอ่ะพันนึงนะเอไม่เอาไม่เอาเราก็ขยันขย่อนเออเอาไปเถอะท่านช่วยไม่ต้องเออเอาไปเถอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ะไม่เอาก็ไม่เอาก็ไปอีกสักวักหนึ่งบางขอหน่อยมันหนึ Darth ่งให้มาเรามีสิทธิน่ะก็เสนอไปแล้วไงเองไม่เอาถึงระวังนะโอกาสต่ Aa, างๆเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่เลือกแันนี้ไม่ไม่เสียหายโอกาสที่จะรวยแล้วเราไม่อยากรวยแต่ไม่ค่อยมีนะมีมีมี ม, มีถูกหวยอย่างเงี้ยอีตอนซื้อน่ะอตอนซื้อน่ะไม่รู้ว่ามันบาปแต่อีตอนถูกอะรู้มาแล้วว่ามันบาปถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยหกสิบล้าน กูไม่น่าไปฟังบรรยายเลยมันสอนว่าหวยมันบาปมันแล้วกูไม่น่าไปฟังเลยถ้ากูโง่ตั้งแต่แรกแลยป่านนี้เนีกูรวยแล้วเรื่องเรื่องดุน ญ, ญานีง่งแต่เรื่องศาสนานี่มีโอกาสที่จะละมาดไม่ละมัดละละมาซิไม่ละมาด มีโอกาสพร้อมทุกอย่างละมาดไม่ละมาดละมาดีิกูไม่อยากจะละมาดนะมึงกูไม่อยากละไม่ละมาดบางคนบอกระวัลนะรถลงโทษนะเช่นรถชนอะไรเงี้ยมึงระวังนะดูมึงไม่ละมาดดูมึงจนนะไม่ใช่บัลลอนนี่ไม่จําเป็นว่าเป็นเรื่องพิบัติอะไรที่มันไหชนะแบบนั้นนะไม่ใช่บัลลอนนี่ก็คือทีจะละมาดจริงแล้ว่นะละมาดไม่ได้แล้ว เนพิการเป็นอัมพาตเป็นอะไรก็ได้ละหมาดยากยากสักพอจะละหมาดนี่ในในขณะที่เราสะดวกทุกอย่างไม่ละหมาดแล้วตอนลําบากลราก็ยิ่งแล้วไปขยับตัวก็ไม่ได้น้ําละหมาดก็ไม่ได้ทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้ชักไหมไม่ละหมาดแล้วแมวก็ไก่ตอนสะดวกจะละหมาดไม่เไม่ไม่เอาไงการลงโทษคนละก็คือแมวก็ไม่ต้องเอาฉันก็แมว ส ر ف Allah <c oughs> หัวใจของพวกเขา Allah ทไมวใจของเข้าเนี่ยหันเหออกจากไปนบื้องหน้ามก้อมูลเลยเพาะว่าเพราะแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีความเข้าใจอะไรแสดงว่าการที่ไม่ศึกษาเรียนรู้และไม่เข้าใจศาสนาอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เราหันเหออกจาก างนั่นก็ได้ไม่ศึกษาไม่เรียนรู้หลักการศาสนาไม่เรียนรู้คุารานไม่เรียนรู้คำสั่งสอนของอิสลามอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยหัวใจของเรานี่ไม่อยากรับรู้ไม่อยากเอาไม่อยากปฏิบัติหลักการศาสนาอย่างที่บอกว่าที่มุนาฟิกเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ได้ตกอยู่ในสภาพที่อัลลอ สาบแช่งพวกเขาแล้วก็ให้หัวใจของเขาเนี่ยหันออกจากทางนําเนี่ยเพราะนบีอยู่ต่อหน้าต่อตาเขาอ่ะนบีอยู่ต่อหน้าต่อตาเขาทั้งคนที่เป็นกาเวนเนียงคนที่ปฏิเสธศรัทธาที่มาการนี่นะไม่ควรที่จะปฏิเสธศรัทธาเลยทําไมเนี่ะนายบีหมอนมัดอยู่ต่อหน้าต่อตาเขา แล้วก็สามารถใช้สมองวิสูด้วยความสัตจริงของต้นนบีมุฮัมมัดนี่ว่าส ی, ی וק, اؤ, اؤ, ี่สิบปีอยู่กับเขานี่ไม่เคยโกหกนี่ม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยโกหกพิสูนได้แบบนี้แล้วก็ไม่พิจารณาแล้วก็ยังมาต่อต้านเขาอีกอัลลอฮ์จึงปิดท้ายสุราอัตเตาะอัตวตอบะสุราที่อัลลอฮ์เชิญชวน มนุษยชาติทุกกลุ่มเนี่ยให้เตาบะให้กับเนื้อกับตัวผู้ปฏิเสธศรัทธาให้ศรัทธาซะพวกมุนาฟิกเนี่ยให้สัจจริงซะผู้ศรัทธาที่ทําบาปให้เต้าบัดตัวกับเนื้อกับตัวจากบาปต่างๆซะเหตุผลคืออะไรสําหรับคนที่มีชีวิตตอนที่ท่านนบีมีชีวิตเนี่ยเหตุผลก็คือท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮิวะลลาฮ เป็นเหตุผลสำคัญที่จะทำให้พวกเจา้านี่ได้เห็นความกรุณาที่อัลลอฮฺได้สรงศาสนทูตมาอย่างพวกเจา้านี่คืออลมอฮเขาบอกว่านี่คือความเมตตาของเราสุหานอัลลอฮฺที่ไม่ทิ้งพวกเรานะไม่ทิ้งมนุษยชาตนะิทรงและไม่ได้สง่งท่านนาบีมูฮัมมัดคนเดียวตลอดประวัศาสต์ของมนุษย์ห Allah, นา่้างเราสงสรงนบีเท่าไหร่ล่ะ ي ق ديكوا ا أحمد أبو ذر الغفاري تحمد النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم عدد الأنبياء كمن و ا بندا نبي تورعي؟ قال مئة ألف أو يزيدون سان قا نبي عندنا والرسل منهم يا رسول الله ل ق ب ن ى رسوله สามร้อยกว่าแสนหนึ่งแสนสามร้อยกว่าในประวัติศาสตร์ทั้งสามศาสนานะยิวคริสต์และมุสลิมเนี่ยเขาบอกว่าอายุขไยของมนุษย์แต้งแต่ยุคอาดัมจนถึงกันฑบีมุฮัมมัดเนี่ยประมาณ 1,000 งหมื่0หนึ่งปีหนึ่ง ม, ง ม, ป, งม ป, ประมาณมีรายงานจากอับดุลลาบเนียบบาสวัวแทนพุดดิงนี้ด้วยนะ 1,000 งหมปีเอาแล้วก็ไอ้ที่เขาพบไอ้ที่พบออราซิสออราซสอะไรนี่พวกมนุษย์โบราณนี่เขาไป ไปพบซากศพไปพบซากซ า, ากมนุษย์โบราณเก่าๆนี่ที่มีอายุเป็นห้าหมืนปีนี่เก่าแก่ที่สุดที่เจอนี่ม่รู้ที่อินโดหรือที่ไหนนี่ยแสนกว่าปีเก่าที่สุดเนี่ยเขาเป็นหลายหมื่นปีนะเป็นแสนปีนะั่นก็มีนะอันนี้คืออะไรไม่ได้มีหลักฐานว่าคนเหล่านี้เนี่ยถ้ามีจริงนะ่ะนะไม่ได้เป็นหลักฐานว่าคนเหล่านี้นี่พันเดียว กับมนุษย์ที่เป็นลุกหลานอาดัมเป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้และที่อาจจะถูกถูกอ้างว่านี่คือนี่คือต้นตอของมนุษย์เนี่ยที่ที่พัฒนาการมาเนี่ยจะลิงน่ะไม่ได้มีหลักฐานว่าคนเหล่านี้จะต้องเป็นพันเดียวกับมนุษย์คนแรกก็คือท่านนาบีอัอาจจะเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง ก่อนที่นเ บ, บียดัมจะลงมาแต่ไม่มีไม่มีคุณในลักษณะของมนุษย์อย่างที่เราได้เห็นกันเดินก็ไม่เหมือนเ้าความยาวของแขนขาก็ไม่เหมือนกันทรงของเขาเนี่ยตอนก็ไม่เหมือนกันกะโหลกฟันอะไรหลายอย่างนี่ไม่เหมือนก็ก็เป็นไปได้ว่าเขาก็าาชีวิตชนิดนึงแต่ไม่ใช่มนุษย์ทําไมต้องตีความว่อนนี่คื อ, ค, อคือต้นตอของมนุษย์แล้วก็พัฒนาการทําไมต้องทฤษฎีต้องเป็นแบบนี้ล่ะ ถจาสมมติว่าหมื่นปีเนี่ยและมีบรรดานับีุลราซูลทุกซอกมุมในโลกนี้เนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาแทนหันนะนับีุลราซูลเนี่ยแสนกว่าท่านเนี่ยในหนึ่งมื่นปีนี่แสดงว่ากี่ปีละทุกสิบปีเอผมคิทุกสิบปีนี้ก็มีนบีท่านหนึ่งโดยเฉลียล่ยเฉลี่ยนะ และถ้าเราขยายนี่หมายถึงเรไม่ต้องทุกสิปีอาจจะต้อง20สปีสาปีแต่มีนบีอยู่หลายหลายพื้นที่เป็นไปได้อัลลอฮฺบอกว่อิมมินอุมตินอิลลัฮฺลาฟีฮาน ي ر ไม่มีประชาชาติใดใดเว้นแต่มีนบีอัลลอฮ์ส่งไปส่งไปเตือนพวกเขาณีร์มีนบีทีเนี้ยเนีย สยามแผ่นดินเนี่ยต้องมีนบีมินุมังขัตสันน์อะไรก็ว่ามินุมัลลนักสูสัมีส่วนหนึ่งที่เราได้เล่าเรื่องของพวกเขาคือบรรดาอบีแล้วมีว่ามินุมแล้วก็มีบางบางส่วนนี่ลัมนักสู้สั่งอะไก็ไม่ได้เราไม่ได้เล่าเรื่องเขาเรื่องของบรรดาอบดลละมีเหลนี้เนี่ยให้ท่านรับรู้อ่าแสดงว่ามีเนี่ย มีแน่นอนนบีที่ที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกท่านนบีมูฮัมหมัดว่ามีนบีแต่อัลลอฮ์บอกท่านนบีว่าทุกประชาชาติทุกประชาชาติที่นี่ต้องมีนบีแงแง่เลยเก่งเก่งอินเดียต้องมีแงแง่ประชาชาติใหญ่โตขนาดนี้แล้วเขาจะไม่มีนบีมีเหลืออะไรขนาดคริสต์นี่อะไรเหลือแล้วล่ะคริสส์อย่าว่าคริสต์นะครับอิสลามมาดูสิ อิสลาม嘛น่ะอะไรเหลือล่ะอันนี้อิสลามคนหนึ ay, ay, ang, ang, Islam, ang, lim, ่งมุสล ah ิมออกมาสอนถือศีนอดสิบอาชูรออีกคนออกมา c a ล l นัดคนที่ไอไอคนนี้ไม่ใช่มุสลิมนี่ฟังเพราะนี่ก็อ้างอิสลามนี่ก็อ้างมุสลิมใช่ปะพอมาฟังน่ไม่เหลือเลยแปลวาไอคนที่ปิดเบือนศาสนานี่แหละ แต่การที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่นี่นะมีชีวิตกับสัฮาบเนี่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้อิดายะเนี่ยอิดายะเนี่ยมีความบังควรมากกว่าใช่ใช่แน่นอนเราสามารถพูดได้ว่าสัฮาบโชคดีโชคดีถ้า إ ม م านของเขาลดลง ไม่ต้องทาอะไรานะแค่ไปละหมาดกับท่านนาบีในะอิมานก็เพิ่มขึ้นแต่ผลลัพธ์ของการที่ท่านนาบีมีชีวิตนั้นอันนาลลอฮุ سبحانه และ تعالى จะไม่ให้เป็นอภิสิทธิ์ของคนที่มีชีวิตขณะ น, นบีมีชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่สำหรับคนที่ต้องการได้อภิสิทธิ์นี้เนี่ย อัลลอฮฺส ja so ah e ุบฮานะวะลาลยังเปิดโอกาสให้คนที่มาหลังจากที่นบีเสียชีวิตนี่นะได้มีโอกาสอาจจะเหมือนหรือดีกว่าสฮาบะในการที่จะเปลี่ยนแบลงชีวิตของเขาด้วยกุรอานนั่นคืออะไรครับนั่นคือชีวิตชีวาของกุรอานลาคาดีสุนัตนะบีสุลลาะอะลัยฮุสเซลามที่เปรียบเสมือนทําให้เราเนี่ยเปรียบเสมือนรู้สึกว่านบียังมีชีวิตอยู่ ซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งของความอัศจรรย์ของอัลกุรอานที่ถูกปกป้องรักษาพิธักรักษามาตั้งแต่สมัยท่านนบีถึงวันนี้เนี่ยเปรียบเสมือนนบีกําลังอ่านกุรอานกับเราฮ ادي ไซของท่งนานนบีซอลลอฮฺเรื่องเล่าเปรียบเสมือนนบีกําลังกล่วาวกําลังอ่านฮ ادي ไซเราฟังเราไม่ได้มีส่วนเสียเปรียบอะไรเลยสําหรับ สฮาบะบางท่านเราอาจจะมีโอกาสดีกว่าสฮาร์บะหลายท่านในการเรียนรู้หาดิศสฮาบะบางท่านเนีไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้รู้หาดีศของท่านนบีทั id, ้งหมดแต่ตอนนี hmm. ้เนี่ยทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนรู้หาดีศของท่านนบีหมดสฮาร์บะบางท่านเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าอัซการรำลึกยามเช้ายามเย็นเนี่ทั้งหมดเนี่ยคืออะไรเพราะนบีจะสอนสฮาบะท่านนี้สอนบทหนึ่ง อสการ์ยังช่วยามีนึ่งคนนี้บทหนึ่งคนนู้นอีกบดหนึ่งคนนั้นอีกบทหนึ่งแต่ตอนนี้ล่ะมันถ้องู้เอัวมามาอยู่ในเรื่มเดียอยจะเรารู้หมดเลยที่นบีสอนไปสอนมาหลายคนนี่นะนี่นบีเรารู้หมดเลยได้เบียบได้นเบียดมั้งเหรอในเบียบและนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณค่าของการที่เรามีนบีแม้ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือท่านจะเสียชีวิตอยู่เนี่ย มีค่าเดียวกันสําหรับผู้ศรัทธามีค่าเดียวกันในหาดิษสบันทุกอย่างอามเช่นเดียวกันท่านนบีปอบใจคนที่จะมารุ่นหลังแล้วก็ไม่ได้เห็นท่านนบีนบีบอกว่าวดิตตัวเล่าเราไตัวอีคว้านี่ร้าเจ้าหวังว่าอยากจะเห็นอยากจะพบกับพี่น้องของฉันก็รู อ, วอัวลาสในควานะกายรอซูลอลลอฮฺสอบประถามท่านนบีว่าแล้วเราล่ะไม่ได้เป็นพี่น้องของท่าน หรือโอท่านดน้วยกล่าวละแต่อังทุกมอสฮับีบอกว่าไม่ใช่พวกท่านเนี่ยคือสาวกของฉันวว إ خ و ا ล الذين أتوا من า ع า ي آمنو ب ล و ม م ي ร و นีพี่น้องของฉันนี่นะก็คือคนที่มายุคหลังฉันหลังฉันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยและเขาศรัทธาในตัวฉันโดยที่พวกเขาไม่เคยเห็นฉัน อัยรุลวาให้ดฟีหิมคำสู้ผลบุบนของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาอ่ะที่มาายุรุ่นหลังที่ไม่ได้เห็นนะปีนนะห้าสิบเท่าไมายถึงเขาทำความดีเนี่ยคูณห้าสิบซาฮาบะพูดเหมือนแอบอิจฉานิดหนึง่งเยอรมุสุละลอคำสูนะมินหุมอามินนะไอห้าสิบเท่านี่ ในหมู่พวกเขาหมายที่ว่าห้ิบเท่าผละบุญของพวกเขาและห้าสิบเทา่าในหมู่พวกเรานี่ซาบะแสดงว่ารู้ว่าผลละบุญการทําความดีของซาบานี่ไม่เหมือนคนอาะใช่ดิผลละบุญของซาบานี่มหาศาลมากกว่ามากกว่าเราแน่นอนแต่นบีก็ยังปอบใจอีกบอกว่าท่านนบีบอกว่าคําสู้นาห้าสิบเท่านี่เท่ากับผลละบุญของพวกเจ้าหมายถึงว่าคนรุ่นหลังที่ศรัทธาในตัวท่านนบี และปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีได้ผลลบุญห้สิบเท่าเท่ากับความดีสมัยสหาบะานนบีไม่ปล่อยให้สหาบ้านนี่จะต้องสงสัยอะไรนะผู้ทันทีเลยนะอินน่าฮุมอินน่าคุมแต่จุดูน่าละขัยรอ่าวานะพวกเจ้าเนี่ยพวกท่านเนี่ยสาวกของชั้นเนี่ยได้พบคนช่วยตัวช่วยในการทําความดี วแรกอย่าจ و ن ูนาแล้วเคยเรียแต่พวกเขาคือพี่น้องของฉันที่มารุ่นหลังที่ที่ไม่เคยเห็นฉันเลยเนี่ยเขาจะไม่พบคนที่จะช่วยหรือไม่มีตัวช่วยที่จะทำความดีแค่ึกภาพน บ, บีสั่งสหาบาบอกว่าอิสลามสุนนาสุบีเงี้ยในบนและบนเนี่ยถ้าเป็นเรา เห็นนบีเห็นนบีจ่าจ้านีแล้วนบีบกว่าให้ลมาดเป็นเราเนี่ยเราจะทําไหทําแน่นอนสิแต่ตอนนี้เนี่ยขอให้มีผู้รู้เป็นล้านคนนะแล้วก็แบบละหมาดิสุนนะสุภีถ้าตัวเราเนี่ยไม่มีความปรารถนาในสุนนะของท่านนบีที่ไม่บอกว่าให้มีล้านตัวคู่นี่เราก็ไม่ทําจริงไหมล่ะขอให้มีล้าน ไซบุคอรีตั้งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยถ้าตัวเราเนี่ยไม่มีความแปรธานาในตัวท่านั้นอลลอฮฺ سبحانه แะ تعالى จึงทิ้งท้ายในสรดตะวบานี้ยุบย่องนบีนบีคือสถาบันแห่งความมั่นคงในชีวิตของบุศถา ถ้าไม่มีนบีในชีวิตของเราเนี่ยนบีก็เหมือนกุรานนี่แหละนบีก็เหมือนกุรานถ้าไม่มีนบีในชีวิตของเรานี่ก็เหมือนไม่มีกุรานแต่บางคนบอกว่านบีไม่สำคัญฉันมีกุรานอย่างเดียวเนี่ยอันนี้นี่ตอนแหล่ถ้าเขาแยกนะระหว่างกุรานกับนบีนี่แสดงว่าไม่เข้าใจศาสนาเพราะนี่ในคุรานนะก็ใครที่บอกว่าเอาฉันเอากุรานอย่างเดียวก็นี่กุรานเนี่แเขาจอกุมรัสูลุมินอัมฟุสิกุมแท้จริงมีรัสูลคนหนึ่ง จากพวกท่านเองมินอัมฟุสิกุมจากตัวพวกท่านอุลามาส่วนมากเนี่ยเดที่บายบอกว่าหมายถึงว่าอัลลอฮ์พูดกับชาวอาหรับนะชาวอาหรับเนี่ยว่ารัสรุ่นเนี่ยที่อัลลอฮ์ส่งมานี่มาจากพวกท่านมาจากตระกูลของพวกท่านตระกูลที่พวกท่านเนี่ยรู้จักกันดีอุลามาบางท่านก็บอกว่าอันนี้เนี่ย ถ้าหมายรวมว่านบีมาจากตัวพวกท่านนี่เฉพาะอาหรับนี่อ่ะแสดงว่านบีไม่ได้เป็นรัศมีสำหรับมนุษย์ทั่วไปจึงสมควรที่จะอธิบายว่าถ้ารัศมีตามที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าในกุรละอัมาตุลลิลอาลามีนเป็นมหาเมตตาแด่สากลและโลกลิลอาลามีนสําหรับมนุษย์ทุกทุกสิ่งทุกมิชิมนุษย์อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่าง แต่นบีเป็นศาสนาตูตไม่ใช่ศาสนาตูดสัมรับอารภเนียเดียวเป็นศาสนาตูตสําหรับอนุเสชาติสันั้นสมควรที่จะอธิบายอย่างนี้ว่าละก็จากคุมรัสูลุมมินอฟุซกุมแทจิงมีรัสูลคนหนึ่งจากพวกท่านเองจากตัวมนุษย์พวกท่านเองอะไรที่ว่าอะไรแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งรัสูลมาหนิจากเมลัยกะ จากชีวิตชนิดอื่นจากยินอะไรนี่มาระซูลจากตัวพวกท่านเองจึงมีเหตุผลสําหรับมนุษย์ทุกคนที่สามารถมีความสัมพันธ์กับระซูลท่านนี้ไม่ใช่เรื่องเชื้อชาติเพราะบางคนถ้าเชื้อชาติไม่ใช่อารับเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรกับท่านนบีละไม่ได้มีความเป็นเครือญาติเป็นลูกหลานเป็นของท่านนบีไม่มี แต่ความเป็นมนุษย์ต่างหากและนี่มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุภานะอวตารและได้ได้ยกย่องท่านนบีในอายะอื่นอุลีนนะมาอันะบะชรุมมิสลุกุมโอ้ Muhammad จงกล่าวเถิดแท้จริงข้าก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเจ้านั่นแหละยูฮาอิลาอะข้อแตกต่างก็คือยูฮาฉันนะมีมีวะฮิยูมีคําสั่งสอนที่อัลฝากไว้มาบอกกับพวกเจ้านี้ นี่นี่คือข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดแต่คุณลักษณะของท่านนบีที่ทำให้เราเนี่ยเห็นใจตัวเองที่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่สมมติโดยมีคนมีเด็กสูบบุหรี่และมีคนมาเตือนเขาตัวเองไม่ ไม่สงสารพ่อแม่บ้างหรือพ่อแม่เนี่ยเขาดิ้นรนทำมาหากินให้ให้ตัวเองได้ได้อยู่ดีกินดีไม่สงสารเขาเขาเหน็ดเหนื่อยนะเขาทำนูน่นทำนี่ให้ตัวเองเป็นแบบนี้แล้วทำไมตัวเองต้องทำตัวแบบนี้รอกำลังสั่งสอนมนุษยชาติทั้งหลายมีรสูลคนหนึ่งจากพวกท่านเอง อาซีซุนอาเลหิมะนิตุมได้มหาพวกท่านแล้วเป็นที่ลําบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยากสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยากเนี่ยท่านนาบีเนี่ยก็จะรู้สึกลําบากใจแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องอิบาดะห์อย่างเช่นละหมาดตรวิห์เดอร์มอต ละมเดรมาเดอรอยู่เดอร์ะัมดอน صحاب า, านี่เข้ามาที่มัสยิดนี่มาแอบรอท่นานนบีออกมาละหมาดหนึ่งคืนสองคืนสามคืนนบีก็ออกมาละหมาดให้จนคืนที่สี่ที่ห้านี่ล้นแล้วคนรู้กันทั่วมาดีนหน้านี่รู้ว่าท่นานนบีหลังอิชชาจะละมาด่ะมาละหมาดกันหมดเลยล้นนะมัสยิดล้นเลยฮิงก ว, วันสุกิคืนที่ห้านี่ ซาฮาบะก็มารอกันเต็มมัสยิดรอเนพี่ไม่ออกซาฮาบะเมีมารยาทที่เขบโอ้นบีเนบีเรียกนะไม่ไม่โวยวายนะเขาก็ต้องส่งส่งซิกให้เห็นแล้วเนี่ยก็ส่งซิกให้คนใกล้ตัวท่านนบีเนบีท่านสะดวกจะมาละหมาดไหมเนบีบอกว่าไม่ไม่ออกไม่ออก ทำไมอ่ะข้เียะีอันตุฟรดะัยฮิม์ขบเจ้าเกรงกลัวว่าเดี๋ยวมันจะถูกถูกบันทึกเป็นวาจิบสำหรับพวกเขานบีสงสาร น, นบีสงสารว่าถ้าละหมาตรเวียเนี่ยเป็นวาจิบเหมือนละหมาดอิชาเหมือนละหมาดฟรดูเนี่ยนะ ในอีตอนนั้นนะนบีละหมาดสิบเอด็ดไงแสดงว่าเดือนระมดอนนี่เราจะมีฟรดูอีกสิบเอ็ดและก็อัดนี่นบีสงสารบอกว่าอย่าเลยถ้าเอาล็อลลบังคับให้เราละหมาฟดฟะดูนี่คงจะไม่ไหวทุกครั้งที่เราละหมาดตราวีเนี่ยละมีความสุขในการละหมาตราวีเนี่ยอย่าลืมบุญคุณของท่านนาบีด้วยนะว่าท่านนาบีเนี่ย เสียสลับที่ไม่ยอมละหมาดจะมากับสหาบ้านเนี่ยทั้งนั้นที่สหาบ้านนี่เขาอยากมากอยากที่จะละหมาดมากแต่ท่านอวยก็อย่าเลยดูคนรุ่นหลังด้วยเพราะท่านนบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยสหาบ้านก็เลยรวมตัวกันมาละหมาดที่มัสยิดทุกคืนแต่ยุคของท่านนบียุคอบูบักรอสุดดี้ส่วนนึ่งของยุคของอุมมารบินขุตานี่อุมมคมิละหมาดต่เราเรียกที่มัสยิด พอรู้แล้วนี่ว่าเออละหมากตะเวนนี่คงจะไม่ไม่มีใครจะนึกว่าเป็นเป็นวาจิบแล้วอ่ะนะเขาก็เลยรวมตัวกันนี่เป็นตัวอย่างว่ท่านนะบีจะลำบากใจแกเขาในสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยากแล้วไม่ถึงไม่ใช่เรื่องไอ้บาได้อย่างเดียวนี่แม้กระทั่งเรื่องเรื่องบาปที่ทําแล้วก็มีบทลงโทษเช่น คนที่ทำาีินาที่เป็นผู้ชายที่มาบอกกับท่านนาบีอูลลอฮฺตะฮีร ني, ์นีท่านนบีครับได้ปรูดทำความสะอาดฉันด้วยเถ อ, อะก็เลยมาฟังเจ้าทำอะไรก็ลยจะนั่งอยฉันได้ทำาีินาว่าเหมือนมีข้อสอบแล้วก็ท่านนาบีป้อนคำตอบให้ให้ตอบข้อสอบจะได้พ้นพ้นโทษ เล่าเลิกก็ตบเบลต์เล่าอเมเจจะไกันตูบิ่งเดียวมแกแกไปสัมผัสอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าเขาบอกใช่ก็จบเลยนะยกเลิกแล้วไม่ลงโทษแล้วไหนบอกก็ไปงั้นพ้นไปไม่ลงโทษแต่สหบัญญัินืนยันว่าเขาทำจีนายินยันทำจิน่าจนนบีตุลงโทษทั้งนบีเนี่ยไม่ชอบมีผู้ชายที่ทําจิน่าผู้หญิงอีกคนหนึ่ง มสรราสารภาพกับท่านนาบีว่าทำซิน่าแล้วก็อยากจะให้ท่านนาบีลงโทษ น, นบีก็ถามเหมือนกันแหละเขาก็ยิงเขาทำซินา่นานบีก็ถ้าเช่นนั้นก็ไปเธอท้องอยู่เนี่ยก็ไปไปตั้งขันก่อนตั้งครันแล้วเนี่ยคลอดแล้วก้าวเดือนคลอดแล้วตอนที่นี่มาเลยคือถ้าเขาไม่มา น, นาบีก็ไม่ตามนะเฮ้ยไหนอะไอคนนั้นน่ะก้าวเดือนที่ผ่านไปแล้วที่เขา ม, ม, มัไม่ตามไม่ตามแต่เขามาเก้าเดือนนี่ก็มามาแล้วก็อุ้มลูกเล้วกันดูสิลูกตัวเองนี่แล้วใครจะให้นมละ่ะไปให้นมจนให้ลูกนี่ยานมซะก่อนนะแล้วค่อยมาถ้าเขาไม่มาละ่ะนับี้ก็ไม่ตามเนี่ยอุลลามาเอกฉันเลยเพราะว่าถ้าได้มีโอกาสในการที่จะ ให้คนดีจะถูกลงโทษอันนี้ต้องเป็นบาปอันนี้ต้องเป็นบาปที่ไม่มีสิทธิของมนุษย์มาเกี่ยวพันนะแบบเนี้ถ้ามีโอกาสที่จะทําให้เขาเนี่ยไม่คือพ้นโทษได้เนี่ยสามารถกระทาได้สําหรับสําหรับผู้วักษาสําหรับผู้นาําที่จะต้องลงโทษคนที่ทําบาปนะสามารถเปิดช่องให้เขาเนี่ย และระวังการที่ทําบาปและปกปิดตัวเองและกระเตลบาดตัวกับการที่ไปสารภาพแล้วก็ขอลงโทษอุลมามะเขาขัดแย้งกันว่าอันไหนจะดีกว่าคศนะอุลมามะส่วนมากบอกว่าปกปิดและกระเตลบาดตัวดีกว่าเพราะบอกว่าทีทิง ท, ท, ท่านนาบีเนี่ยทั้งสองคนน่นบีเหมือนอยากจะให้คือไปเตลบาดตัวระหว่างเองกับอัลลอฮ์คือในเมื่อมันไม่มีสิทธิระวัง ระหวา่างเขากับมนุษย์นั่นนะก็ระหวา่างเขากันว่ากับเป็นตวตัวดีกวา่าทัศนคติวละบางท่านบอกว่าให้สารภาพลงโทษดีกวา่าจะได้ชำระระวันเกียร์มาจะได้ชัวชัวว่าจะไม่ถูลงโทษในวันเกียร์มาแต่นี่หลายเหตุการณ์อาจจะเห็นว่าท่านนบีสุลต่านในเรื่องที่เป็นความทุกข์สําทุกยากสําหรับเรานะนบีจะจะลําบากใจชาวชนบทคนหนึ่ง มาท่านนาบีสุลต่านเลวซ์เลมต่อน้าสาวบานีบอกท่านนาบีครับผมเดือด ร, ร้อนช่วยผมหน่อยต่อหน้าสาวบานผมเดือดร้อนช่วยผมหน่อยนบีก็ช่วยนบีก็สั่งสาว บ, บ้านนี่บอกว่าให้ช่วยให้ตังเขาแล้วก็ถามชาวชนบทอาราบีคนนั้นน่ยบอกว่าอาราบีแพอใจพอใจไหมชาวชาวชนบทคนนี้ก็บอกว่าพอใจอะไรอ่ะท่านไม่ได้ช่วยอะไรเลย ซาบากะเครื่องนี่เครื่อง ข, ของซาบานี่ก็คือเป็นอันวัดคือมีเลือดนองเลือดเนี่ยเครื่องอะโซฮะคนบอกว่านะบีนบีช่วยต่อหน้าโซะแล้วก็ไม่ท่านไม่ได้ช่วยผมอะไรเลยหมายถึงว่าที่ช่วยเนี่ไม่ไม่ไม่ได้เรื่องอะช่วยนิดเดียวอะไรเงี้ยซาบาก็จะจะลงมือแล้วนบีข้าม แล้วก็พาซอฮาบะเขาเนี่ยไปปลอบใจไปคุยไปถึงบ้านเลยนะอ่าไปถึงบ้านเลยแล้วก็เพิ่มให้เสนิฐานนะเวลาสนิฐานนะบอกว่าที่นบีใหน้นี่นะก็คืออัตราการช่วยทั่วไปทุกคนที่ต้องการต้องให้แต่จะให้มากกว่านั้นน่ะจากใบตุลมัน limit ไ, ได้ละเพราะมันมีลิมิตก็ต้องไปให้จากอะไรทรัพย์สินส่วนตัวละ่ะพาไปที่บ้านแล้วก็ให้เขา และถามว่าพอใจหรือยังท่านพอใจมากเลยครับท่านนาบีจะซาอัลลอฮฺเคยรอนท่านเป็นท่านเป็นโอ้เป็นคนที่น่ารักมากอะไรเนี้ยนบีก็เลยบอกว่าแต่ที่ท่านพูดต่อหน้าสาวกของฉันเนี่ยเขายังเคืองอยู่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านไปพูดต่อหน้าเขาเขาจะได้หายเคือง สหายบ้าเขารักนบีไงเขาหวงแห่ น, นบีนะไปดูถูกนบีได้ไงนบีกลัวว่ า, วาต่อสหายบ้าคนนี้เนี่ยคือต่อว่านาบีต่อห น, น้าสหายบ้าแล้วก็ยังไม่ได้แก้ตัวนะแต่เขาสมมุติว่าเขาเดินกลับแล้วก็มีสหายบ้าใครเห็นนะั่นน่ะไอคนนี้จะมาไอเนีรคุณคนนี้จะมอสั่งสอนซะหน่อยนะ่ะนบีก็บอกว่าไปแก้ตัวต่อนหน้าเขาหน่อย พอหลังละมาเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็ถามชาวชนบทนี่บอกว่าเป็นยังไงท่านพอใจหรือ ย, ยังบอกก็พอใจนะครับจะจะก็รอพระรันนบีช่วยฉันหนึ่งเต็มที่แล้วผมขอบคุณมากครับนบีก็เลยบอกกับซาบบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเปรียบเสมือนอูดตัวหนึ่งมีเจ้าของอูดตัวนี้เนี่ยมันหนีมันหนีพ้ น, น, พน จะคอบอูดมีแต่เจ้าของคนเดียวที่สามารถที่สามารถเรียกคืนได้ถ้าคนอื่นเข้าไปตีเข้าไปดึงเข้าไปเข้าไปไปต้อนก็อาจจะทำให้อูตัวนั้นนะ่ะยิ่งหนีไปแต่ฉันเนี่ยกรเปรียบเสมือนเจ้าของอูดกับพวกเจ้านี่ก็คือคนที่ สงสารเมตตาดูแลพวกเจ้าอัลลอจึงบอกว่าฮาริสุนนะเลกุลเป็นผู้หวังใยในพวกในพวกท่านเป็นผู้เมตตาผู้กรุณาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธาบิลมูมินีนารอูฟุลรหิมความสงสารความเมตตาของท่านนบีทั้งที่ท่านนบีตอนมีชีวิตอยู่และตอนที่ท่านนบีอยู่ในกูโบ บางรายงานบอกว่ามาเลกาที่จะไปรายงานท่านนาบีสภาพของประชาชาติของท่านเนี่ยท่านนาบีจะเสียใจแสดงว่าท่านนาบีก็เมตตาประชาชาติทั้งที่ท่านนาบีอยู่ในกูโบของท่านและตอนที่ฟื้นคืนชีพในวันเกียรมะเช่นเดียวกันกลุ่มที่จะถูกแยกออกจากบ่อน้ำของท่านนาบีนบีก็จะเรียอุมมตีอุมมตีประชาชาติของฉันแสดงว่านาบียังเป็นห่วงนบียังเป็นห่วง นี้ความเป็นห่วงของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีได้นอนบนตักท่านหญิงไอชาคงเป็นช่วงเวลาที่นบีกับท่านหญิงไอชาเนี่ยมีความสุขสบายซึ่งกันและกันท่านหญิงไอชาเนี่ยจึงกล้าบอกกับท่านนบีโอท่านนบีขอดูอาให้ฉัน นายซีท no ่านนบีก็เลยขอด้องอัลลอฮฺมะกฟรลีอาอิช่ามาคดดมัดว่มาอัครต์ว่าเขาได้โปรดให้อภัยโทษกับาาอิช่าในสิ่งที่เขาได้ทําและสิ่งที่เขายังไม่ทําท่านอิยาช่าก็หัวเราะดีใจใหญ่เลยท่านนบีก็บอกว่าเจ้าดีใจหรืออัลลอฮฺอาอิชเจ้าดีใจ ว่าจะไม่ดีใจได้ไงอะดูอาของท่นานแตบีแบบนี้เนี่ยฉันปลื้มมากเลยอะดีใจมากเลยบอกว่าโอ้โออยจ้าทุกวันเนี่ยฉันขอดูอาแบบนี้ให้ภชาษชาศาสตรของฉันทั้งปวงทุกวั น, นบีขอดูอาพวกเราทุกคนเราอูฟุนรอฮมเป็นผู้เมตตาผู้กรุณาสงสารเราอูฟเนี่ย รักฟาเนียไม่ใช่เมตตาอย่งนี้มเมตตาด้วยความสงสารด้วยเห็นใจเห็นอกเห็นใจต่อบรรดาผู้ศรัทธาพันห้าร้อปีที่มันจะผ่านพ้นไปจะไม่บันทอนความรักที่ผู้ศรัทธาจะต้องมีต่อท่านนาบีุลและเป็นเรื่องที่ทำให้โลกทั้งหมดเนี่ยจะต้องตะลึง ตกอกต ก, ตกใจมันเป็นไปได้ยังไงว่าพันห้ารอยปีผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็มูฮัมหมัดเนี่ยถ้ามีใครลบหลูมีใครดูหมินดูแคลนท่านนาบีมูฮัมมัดเนี่ยยังจะมีรือพันห้ารอยปีผ่านออยังมีหรือคนที่มาอ้างว่าเขารักนบีแล้วก็จะไม่อนุญาตให้ใครมาแตะท่านนาบีได้เลย เ ป, เป็นไปได้ไงนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทําให้ชาวตะวันตกเนี่ยแปลกใจมากทําไมอะพระยซูเนี่โอ้โหทำหนังกันทําเรื่องตลกเรื่องอะไรเนี่ยเขาเขาดูสิเรื่องธรรมดาแล้วเป็นสิทธิเสรีภาพเป็นอะไรของเขาธรรมดา แม้กระทั่งศาสนาหรือผู้นำศาสนาอื่นๆน่นก็เป็นเรื่องธรรมดาล้วแต่สำหรับมุสลิมเนี่ไม่ได้ความรักที่ผู้ศรัทธาเนี่มีต่อท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมไม่ได้มีใครมายัดเยียดตอนนี้เขาลบหลู่ท่านนบีเอาภาพการ์ตูนลบหลู่ท่านนบีแล้วมุสลิมออกมาประท้วงกันทั่วโลกไม่มีใครไปยัดเยียดความรักเนี่ให้พวกนี้มารักท่านนบีไม่มีใครให้สตังเลยนะ คนที่ออกมาประทวงถูกจับติดคุกกันไม่มีใครให้สตังและมีใครบอกว่าเฮ้ยเดีฉันมีแจกซองมีแจกอาหารกินไม่มีเขาออกมาด้วยความรักต่อท่านนบีสลนเลวซัลลัมล้วนลวนลวนจึงไม่แปลกนะครับว่าความรักที่เรามีต่อท่านนบีมันก็เป็นมันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่ง มันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าเราไม่ใช่มุนาฟิกถ้ามีตรงนี้นะความรับต่อท่านรบียลลัลลอฮุอาลัยวะซัลลัมเป็นสัญญาณหนึ่งว่าไม่ใช่มุนาฟิกและทําไมอมลับจึงทิ้งท้ายสุรอัตตาบาหนีที่แฉพฤติกรรมของมุนาฟิกีนะเพื่อให้นี่คือตัวจำแนกสุดท้ายละ นบีมูฮัมมัดเนี่ยท <trans dels pes enn os> ี่เขามีความรู้สึกต่อผู้ศรัทธาแบบนี้ถ้าผู้ศรัทธามีความรู้สึกเยั่งนี้ต่อท่านนบีเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ใช่มุนาฟิกนะับ فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم นบีได้ทหน้าที่เผยละกตกเตือนพวกมุนาฟิกอัลลอฮ์บอกว่าหากว่าเขาผิหลังให ถินหลัง ไ, นนไน ง, งนบีให้คำสั่งสอนนบีเนี่ยก็จงกล่าวเถิดอุมมหมัมว่าอัลลอนั้นเป็นที่พอเพียงแก่ฉันแล้วฮัสบิอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นและอิลลัลลอห์อะไรตะว่ากลตูแด่พระองค์เท่านั้นที่ฉันมอบหมายที่ฉันมีการมอบหมาย ว่าวรบรับสิ่งล่อใจและพระองค์คือเจ้าของบัลลังพระเจ้าพระผู้พี่บาลของบัลลังอันยิ่งใหญ่นบีไม่เสียหายนบีอลละไม่ขาดทุนอะไรเลยถ้าหากว่ามนุษย์ทั้งหมดเลยเนี่ยพินหลังให้คําสั่งสอนของอ l l a h ละละสุดคนที่จะขาทุนนี่ก็คือตัวเราใน่ไหมบุษฎะก็ต้องตระหนักว่า การที่เราจะขาดทุนการคือการที่เราไม่มีอัลลอฮ์อยู่ในตัวเราไม่มีราสู้อยู่ในชีวิตของเรานันะคือการขาดทุนและการที่จะทาให้เรานี่รู้สึกไม่ขาดทุนนี่ก็คือการที่เรากล่าวด้อาบุนี้ออฮ์อลลอฮล ل ه إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم มีบางเร่งงานบอกงให้กล่าวด้อาบนี้ حسب الله لا إله <سؤال> إلا هو عليه وكتبه رب عظيم تد كان توان ي م ش ا ويعم ين تبين هذا ضعيف تنا ن أ ي نضرب خارج ل م س ل م قمي نيبنا بترملت نجمي حسب الله ونعمل وكيلذي نبي سان ساميكع بوي بوي حسب الله ونعمل وكيل بين ب ت ر م ل نبي إبراهيم شعيت نبي محمد صلى الله ع ل ي وسلم ش ลราเราก็ส่งเสริมนี่ส่งเสริมถ้าเราได้ทําหน้าที่เหมือนท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะเปรียญุสัลลัมเราดาว่าเราเผยแพร่เราบอกเราเตือนคนอื่นและคนอื่นเนี่ยเขาไม่เอาเอ้ยอย่าทําเอ้ยอย่าเป็นแบบนี้สิเฮ้ยอย่านั้นแล้วเขาไม่เอาให้ทวอะไรอัลลอฮฺละอิลลาฮิอำำลัลลอฮฺ عليه توكلت و ร و رب العرش العظيم نيك خمرملك ที่จะปลอบใจที่จะปลอบใจพวกเราไม่เสียใจกับผลงานที่เราได้เชิญชวนผู้คนสู่ทางนาและเข้าปฏิเสธเพราะการที่เราได้เสียใจเสียใจในผลงานที่เราเชิญชวนคนอื่นสู่ทางนานั้นมันอาจจะมีผล คนในระยะยาวเนี่ยให้เราหลงหลงในการทางานของเราว่าการทํางานของเรานี่แหละที่จะทําให้คนเนี่ยได้รับทางนําพอเขาได้ทางนำํำนี่นะพระเพราะฉันไปไปคุยกับเขาไงอ๋อนี่เนี่ยเพราะฉันด่าว่าเขาไงพอจะจะได้ไม่หลงอนะ่ะจะได้ไม่หลงอน่ะอัสสลาอัลลอฮฺที่จริงเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราแค่เป็น เราเป็นสาบเป็นสาเหตุเป็นเหตุผลอะไรอย่างหนึ่งแต่ Allah เนี่ยเป็นผู้ประทานให้ได้ยาเป็นผู้กรุณาให้มีฮห้ได้ยาถ้า Allah ไม่ให้มัลลอะห์ไม่อนุญาติฉันก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮัสบียัลลอฮ์อัลลอฮ์เพียงพอแล้วสําหรับสําหรับเราข้บนี้คืออายาสุดท้ายในส ورة อัตโตบะ สุรธรรมนิรามต้นดวยบรรเอตุมจากอัลลอฮ์และรสน ا ل มสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นัยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่ัิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่นิยมสู่ิยมนิยมสู่นมสู่ิมสมสยมสูยมสูนิยมสู ตัดข้อผูกพันกับทุกภาคีภาคีที่ถูกอ้างกับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลออีลาไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอหมายถึงว่าอื่นๆที่ถูกอุปโลกขึ้นมาที่ถูกแอบอ้างว่าเป็นพระเจา้านี่นั่นทั้งหมดเนี่ยฉันปฏิเสธหมดลยอีลามีความหมายเดียวกันซึ่งสุลตัตวตบ้านี้นะครับผมตั้งใจว่าจะเอาตารางความหมายเนื้อหาของสุลตัตเตอบะที่เขาแบ่ง เป็นหมวดหมวดนะครับแต่มันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคงไม่ทันเดี๋ยวจะพยายามแปลให้แล้วก็ขึ้นขึ้นในในลายลายของตับเสียนนะครับมีทุกคนมีลายใช่ไหมมีลายตับซียนไหมเอาใครที่ไม่มีลายเนี่ยก็แอนลายด้วยน ะ, ะถ้าสะดวกนะ แล้ใครมีใครช่วยจัดการสักสองสามคนใครที่มีลายยกมือขึ้นไม่มีลายยกมือขึ้นไม่มีลายยกมือขึ้นอฮ้อเอเออยเยอะเยอะวะงั้นขอสามคนเนี่ยช่วยเตรียมคิวอาโคดหน่อยเนี่ยให้พี่น้องจะได้สมัครเข้าไลน์นะครับเรามีอะไรจะได้เพราะมีมเผื่อจะมียกเลิกหรืออะไรเงี้ยจะได้บอก อังคารหน้านี่เหมือนเดิมนะครับจะสอนเหมือนเดิมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งทางไลน์แต่เหมือนเดิมนะอังคารหน้านี่เหมือนเดิมนะครับพี่ต้องมีคําถามไหมอ่านกุณอ่านแล้วก็ยกตัวยกตัวนี่มันมีเหมือนยาฮูดหไหมคือยาฮูดนี่ต้องก็ยาฮูดนี่ยกยกข้างหน้าข้างหลังเคยเห็นไหม ที่มาสืบตักษายาหูดในเวลาโยกนะเขาโยกอย่างนี้แล้วก็โยกแรงด้วยบางทีสงสารมันมันอ่านได้ไงโยกโยกแรงมากเลยอ่าโยกอย่างนี้นะอ่าแทนั้นถ้ายกอย่างนี้โยกแรงๆนี่อันนี้เนี่ยไม่ควรวัละมาส่วนมากบอกว่าเป็นเป็นเป็นบิดาเพราะมันเป็นอาการหรือมันเป็นพฤติกรรมของอาลุลกิตา แล้วก็ทกําหลักการศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องศาสนาเขาคนที่เราต้องไม่ทำคาลิฟุลเยฮูเดวันนัสอรอน บ, บอีโกต้องไม่ทําเหมือนเขาแต่ถ้าหากว่าโยกไม่แรงเหมือนเขายกนิดหนึ่งอันนี้มันเป็นอาการปกติต่างธรรมชาติหรือยกยกขวาซ้ายเอ่อเป็นนาฬิกาอะไรเงี้ยนาฬิกา <laughs> อันนั้นเป็นอาการทางธรรมชาตินะ คือเราในเวลาอ่านอะไรในบางทีเนี่ก็บางคนก็นิ่งๆไม่ได้เนี่ยก็ต้องก็ต้องโยกหน่อยถึงจะมีมาาม อ, อ, อะไรกั็เลยมีแอคชั่นน่นละอะไรกแอคชั่นอะไรเงี้ยแต่อย่าอย่าให้เกินไปอย่าให้มันเยอะเกินไปส่วนมากนี่ขอดูสามอย่างดูอากูนูดที่ผมจะขอกุนูดนาวาซิลนี่นะให้พี่น้องสามอย่าง ท่อนแรกนี่ผมจะขอดวงให้มูเจิดดีนะให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาประธานใยชนะความช่วยเหลือให้เขาที่อดที่สองนี่ก็คือเขาล้อสาบแช่งแล้วก็ลงโทษเยโฮลด์และคนที่ช่วยเหลือยโฮลดที่เป็นศัตรูที่เป็นซอลิมมนะโจงคนที่เป็นโซลิมนี่ท่อนที่สองท่อนที่สามนี่ก็คือช่วยเหลือคนอ่อนแอมุสดาฟีนคนอ่อนแอที่อยู่ที่กาซ่าและกาดีอื่น นะคนอ่อนแอช่วยเหลือเขาเมตตาคนที่เสียชีวิตตอบรับคนที่เป็นชัยีนอะไรพวกเนี่ยแล้วก็ปิดปิดด้วยกันขอขอให้อัลลอ์เนี่ยให้พวกเราเนี่ยรับใช้พระองค์ในการสนับสนุนศ ส, สนาและสนับสนุนคนดีนี่คือสรุปของดอา มีมีมีอยู่ในอิสลามในไทยแลนด์ทั้งบทยาวทั้งบทสัน้นดูจะลงให้ในไลน์ในไลน์ตับซีดมุสลิมานี่เข้าได้นะในไลน์แต่ไลน์ตับซีดนี่ไม่ใช่ไลน์คุยนะ อ, อโปรดทราบไม่ใช่ไลน์คุยนะแล้วก็ไม่ใช่ไลน์แช์นะ อ, อไปเจอเข้าหมวกสูตรเข้าหมวกลงไม่ไม่ใช่นะ แต่แช่ในเรื่องที่เกี่ยวกับตะเซียนี้ได้อะไรกีกับตะเซียนี้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับซิลิมานี่ก็ได้นะถ้าถ้าอยากจะเข้าในกลุ่มไาย์นี้ได้นะครับมีคำถามอื่นไหมครับ เหมือนน บ, บีอะไรนะนบบนบบาน บ, บีเป็นคพูดของน บ, บีเราได้ น, บ, น บ, บีะไรผมได้เรื่องที่ทททททนีนครับอัลล์มเราลลอฮ์สว่าเออเออสิ่งสิออออส่งสอนองีเนีน่ยมันมีชื่อเรียกะมันก็เป็นอกสารคือการที่เราได้จินตนาการจำลอง จำลองสถานการณ์ก่อนแลังฟังฮะดีเสมือนอันนี้อุลมามะทั้งบดนี้เกือบทั้งหมดนี้ก็มีพูดเรื่องนี้นะวเวลาฟังกุศอ่านนี่ก็เหมือนเราฟังจากอัลลอฮ์เวลาฟังฮะดีก็เหมือนฟังจากท่านนาบีเพราะรบูดีะหมายเนืว่าการที่เราได้ได้จำลองสถานการณ์แบบนั้นนะ่ะมันจะทําให้เราอยู่ในความสุดยอดของภารกิจนั้นๆเพราะอะไรเพราะความสมบูรณ์แบบที่สุดของการ ฟังกุศลเนี่ยคือการที่นบีฟังกุศลจากอัลลอฮ์นี่คือสมบูรณ์ที่สุดถ้าถ้าเราได้จําลองให้เราได้ถึงจุดนั้นนะนั่นก็ดีที่ถ้าได้นะก็ดีที่สุดสมบูรณ์แบบของการฟังฮะดิสก็คือซาฮาบะตะลังฟังนบีอ่านะประโยชน์ของอิสนาดนี่คืออะไรก็คืออย่างน้อยนี่เราก็มีแตล่ละตีเนี่ยจะได้ถือว่าเออฟังจากคนนี้จากคนนี้จค น, นจคนนี้ฟังจนนบีมันก็รู้สึกว่าเออยังยังมีติดต่อกันติดต่อกัน แตเมม่เราเปรียบเสมือนเรากำลังฟังเปรียบเส ม, มือนนะเราจะไม่พูดเหมือนสูฟีนะว่าเฮ้ยไม่มีประโยชน์รอกทีอิสนาอะไรเนี่ยว่าคนนี่รายงานฮัตดศาสนาคนนูน้นคนนี้เนี่ยแต่ฉันเนี่ยฟังจากนบีตรงๆเลยนบีนี่มาหาฉันเนี่ยมาหาฉันนี่แล้วก็บอกสั่งเลยนี่ทำอย่างนู้นแต่มีนี่ฉันฟังจากนบีเองเลยเ น, น, นี่ไม่ใช่อันนี้คนละเรื่องนะอันนี้เพี้ยนอันนี้เราเปรียบ เปรียบเสมือนแล้วกับพยายามจินตนาการให้ให้เังไงฟังฮะดิษฟังหะดีษรู้สึกว่าเเหมือนท่นบีกําลังพูดกับเราท่นบีเนี่ยทำานนบีสั่งเรื่องนี้กับพังซะละที่บอกว่าพอเราอยู่กับ น, นบีเนี่ยเหมือนเห็นสวรรค์เห็นนรกละแต่พอเรากลับบ้านเราจะลืมนบีก็บอกว่าถ้าพวกเจ้าเนี่ยได้ดําเนินการสิ่งที่พวกเจ้าได้ยินจากชั้นเนี่ย เปรียบเสมือนตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยเปรียบเสมือนตอนอยู่กับฉันเนี่ยนะแสดงควหมายถึงว่าตอนอยู่กับบ้านก็เหมือนกับอยู่กับ น, นบีนะแม้กระทั่งสาบ้าง น, นบีก็แนะนําเรื่องนี้นบีบอกว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยดูมาเก็ก็มาเลยก็จะเห็นความสดใสความความขาวสะอาดของพวกเจ้าเนี่ยแล้วจะลงมาสลามมาขอจับมื อ, อกับ ละมาได้บอกว่ารูปร่างสรีระของเรานี่นะมันมีความทึบมันมีความทึบความแข็งความมืดเพราะมีความเป็นมนุษย์ที่อัลลอให้โอกาสทำบาปแต่ถ้าเราได้พยายามทำให้บาปนี่มันสูญ เราก็จะมีคุณลักษณะความสดใสความเป็นรัศมีเหมือนมาลัยกะคือมาเลาย์กานี่พอจะเห็นมนุษย์ที่บาปน้อยมากหรืออาจจะไม่มีบาปเลยนะเขาจะเห็นเขาจะเห็นมนุษย์คนนั้นนะคือจะคุ้นเคยมากกว่าเหมือนเหมือนเรานี่เพราะมาเลาย์ก า, ม า, า, กาไม่มีบาปแล้ก็มาเลาย์กานี่ที่อยู่ข้างบนอยู่ฟากฟ้านี่นะ เขาจะเห็นคนซอเลนในโลกดุนยานี้เนี่ยเหมือนเรานี่นาะเห็นดวงดาวหรืออะไรกันหูดวงดาวก็คือคนซอเลนในโลกดุนยานี่เหมือนดวงดาวตอนเรามองที่ฟากฟากแล้วกันมันอยู่ที่การที่เราพยายามจําลองสภาพให้เราได้ประโยชน์สูงสุดของการเรียนรู้ศาสนาอันนีย ن ي ن ح س ب ح ا ن ك ا ل ل ه م ب ح م د ك ا ش ه د ا ل ل َّ ل ا ء ِ ا ل ْ ا س ت غ ف ر ك و ا ع ْ ب